จเจริตอนทุกทุกท่านหลวงพ่อนึกว่าวันนี้คนจะน้อยเพราไปบ้านตากันเผาศพคุณแม่จันดีท่านเป็นนักปฏิบัติที่เข้มแข็งนะท่านไม่ได้บวชแต่ว่าเป็นฆราวาดอย่างพวกเรานี่งธรรมะแท้ๆนะไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีเพศ ไม่มีนักบวชไม่มีคฤรืหัดค า, วาดรวะอะไรธารมะเป็นของกลางใครปฏิบัติก็ได้ผลเท่าที่ปฏิบัติแล้วเป็นคารวานะนั้นทให้จริงก็ทําได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเพศของคารวะานั้นทำยากต้องยุ่งเรื่องธรรมากินเรื่องอะไรวุ่นวายวันวั น, น, นมีเรื่องต้องคิดเยอะแยะ เรื่องของตัวคนเดียวยังไม่พอมีเรื่องของครอบครัวสามีพันยาลูกหลานอะไรเนี่ยไม่รู้จักจบจักสิ้นเป็นภาระใจมันก็เลยไม่ค่อยปลอดโปร่งแต่ถ้าพวกเราทําใจได้อย่างมีลูกมีหลานมันไม่เชื่อฟังมันเกเรมันอะไรนะพูดง่ายนะทํายากทําใจนะทำยาก ด่านของลูกนะฝ่ายยากที่สุดเลยพระโพธิสัตวนะ์ท่านบารมีท่านเต็มนะท่านกล้าปล่อยลูกลูกก็รักนะแล้วลูกก็ดีคนมาขอยกให้ดูแล้วใจร้ายมากเลยเอามัตรตานของพวกเราวัดนั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นนะว่าเพื่อสรรพสัตว์เนี่ย สละได้ทุกสิ่งทุกอย่างเจะว่าเห็นแก่ตัวหรือไม่ได้เห็นแก่ตัวเลยใใคล้ายๆสละประโยชน์ส่วนน้อยนะเราจะช่วยสรรพสัตว์นับไม่ถ้วนเนี่ยถ้าใจเราเป็นอย่างนั้นได้การพรวนำไม่ยากอะไรหรอกแต่เราคงไม่ได้ขนาดนั้นเอาแค่ว่าห่วงอย่าห่วงมากนะก็แล้วกันนะห้ามไม่ให้ห่วงห้ามไม่ได้หรอกไดวัดตถะ แต่ละคนก็เวียนว่ายตายเกิดมานานคนที่มาพบมาเห็นกันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าที่ไม่เคยเป็นพ่อแม่พี่น้องกันนะหายากนั้นคนที่เราเกลียดเนี่ยบางทีก็เป็นญาติญาติเรานี่เองเกลียดคนที่เราเฉยๆนะที่มันห่างๆไม่เกี่ยวกับเราคนที่เข้ามาเรารักเราเกลียดเข้ามาใกล้นะส่วนใหญ่ก็ญาติของเรา แล้วภาวนานะใจค่อยๆดูสัตว์โลกทั้งหลายไปค่อยเห็นความจริงเป็นลําดับลําดับไปความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจของเราเองความยึดมั่นถือมั่นในกายใน ใ, นใจคนอื่นในวัตถุสิ่งของในสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่ น, นชื่อเสียงเกียรตยิยศอะไรไปค่อยคลายออกคลายออก ที่เรายึดน้อยนะเราก็ก็มีความสุขเยอะยึดมากก็มีความทุกข์มากาไม่ยึดก็ไม่ทุกนะมัเป็นความสุขที่มหาศาลแต่อยู่ๆไม่ยึดไม่ได้อมันยึดอยู่แล้วเพาเราเกิดมาด้วยอวิชชาถ้าเราไม่มีอวิชชานะเราก็ไม่เกิดอวิชชาเป็นความที่เราไม่รู้ความจริงของกายของใจเราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ เราเห็นว่าเป็นของดีของวิเศษเนี่ยเราก็เลยเข้าไปยึดถือกายยึดถือใจก็เข้าไปยึดถือนะเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาจะรู้สึกรักหวงแหนมันก็เริ่มเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์พอมีความอยากผลักดั น, นก็เกิดความจงใจเกิดเจตนาเจตนาที่อะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ บางคนก็มีเจตนาฝ่ายชั่วเรียกอาปุญญาพิสังขารเจตนาฝ่ายชั่วเช่นจะไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นเขาแต่ว่าเจตนาฝ่ายชั่วนะลึกๆต้องการอะไรก็ต้องการความสุขนะอยากได้ทรัพย์สินเงินทองของเขาอยากได้ลูกเมียเขาอะไรเนี้ยไปแย่งไปชิงมาจริงๆก็คืออยากให้กายให้ใจของตัวเองเป็นสุขอยากให้กายให้ใจของตัวเองเป็นทุกข์แต่บางคนก็เลือก วิธีการเจตนาที่ชั่วเรียกว่าปุญญาพิสังขารบางคนก็มีสติมีปัญญามากขึ้นถ้าเราอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์เราต้องทำความดีพยายามสร้างความดีต่างๆหวังว่าจะมีความสุขมันก็สุขได้นะสุขได้ชั่วคราวเพราะความสุขเป็นของไม่เที่ยงบางคนก็เลยไปอีก เจตนาที่เป็นบาปก็ไม่เอาเจตนาที่เป็นบุญก็ไม่เอาเป็นเจตนาที่จะไม่กระทบอารมณ์มนีการกระทบอารมณ์เรียกว่าอาเนรชาพิสัง ข, ข า, ารก็เข้าอารูปฌานเข้าอรูปฌานแล้วไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายมีก็เป็นต้นไม้ไปแล้วเป็นก้อนหินไปแล้วไม่รู้เรื่องไม่รับ ก, กระทบอารมณ์ภายนอกนี่เป็นเจตนาอย่างที่สาม อย่าที่ท่านสอนหลกอวิชาปัจจะยาสังขาราประโยคเนี้นะเขาขยายความออกมาแล้วมีขั้นตอนที่จิตดําเนินทั้งหลายขั้นตอนมีความไม่รู้นะก็เลยไปหลงรักหลงยึดถือในกายในใจไปหลอกหลงยึดถือไปหยิบฉวยเอาไปเอาใจมาเป็นตัวเราของเราแล้วก็เกิดความจงใจเกิดความอยากนะเกิดความอยากจะให้มันดีให้มันสุข มีความอยากแล้วมันก็เลยเกิดการดิ้นรนทางใจความอยากก็คือตัณหาอุปาทานความดิ้นรนทางใจใเรียกว่าภพปฏิจจสุบาทมันหมุนอยู่ในใจเราตลอดเวลาหน้าที่เราปฏิบัติจะค่อยๆเรียนรู้ปฏิจจสุบาทไปปฏิจจสุบาทเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือการอธิบายอริยสัจอย่างละเอียด ทั้งในสายเกิดและสายดับตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษาไปบวชฤดูร้อนเนะไปบวชกับหลวงพ่อปัญญาอนันทะวัดชนประทานในลูกศิษย์วัดชนประทานนะั้นหลวงพ่อไปบวชเนีหลวงพ่อปัญญาเนะี่ยท่านก็บอกเลยว่าคุณเอาหนังสือไปอ่านไปให้หนังสือหลวงพ่อพุทธทาสมาเล่มเล่มเบลอเลยคามจริง ตอนเย็นเยนค่ำค่ำเช้าเช้าอะไรเขาก็ไปนั่งสมาธิกันทายวัดก็ไปนั่งกับเขาแล้วแต่ว่าเวลาที่เหลือเนี่ยท่านให้อ่านหนังสือดูอ่านเจอท่านพุทธทาสอ้างอิงว่าพระพุทธเจ้าสอนนะว่าปฏิจจสมบัติเป็นธรรมะที่สําคัญนะไม่เห็นปฏิจจสมบัทอย่างเวียนว่ายตายเกิดได้ยินคําว่าปฏิจจสมบัติแต่ไม่รู้มันคืออะไรตั้งใจไปเลยนะว่า เราจะต้องเรียนเรื่องปฏิจจสุบาติให้ได้ทั้งวันหนึ่งต้องเข้าใจให้ได้ว่าเป็นธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดละของง่ายๆนะมาหลอกหลวงพ่อให้สนใจไม่ได้นะต้องธ ร, รมะยากๆเนะี่ยถึงจะดึงความสนใจได้อยากให้มาดูกายเนี่ยอุยหมูมากเลยดูแป๊บเดียวก็ระเบิดแล้วไม่สนุกนะคมาดูจิต ด, ดูใจนะโอ้สนุกไม่รู้หรอว่าการที่หัดดูจิต ด, ดูใจนะเห็นปฏิจจสุบาติได้นะ ปฏิจจสุบัติเป็นเรื่องกระบวนการทํางานในใจเราทั้งนั้นเลยนะจอกระทั่งออกมายึดรูปยึดนาำ ม, มีรูปมีนามมีมีวัตถุร่างกายอะไรขึ้นมาอาศัยใจเป็นตัวทํางานมาก่อนพอเสร็จมาแล้วนะก็ไปเที่ยวหาหนังสือของท่านพุทธทาสมาอ่านนะมีเรื่องปฏิจจสุบัทเล่มเล็กๆท่านก็อธิบาย12ขั้นตอนอวิชาคือความไม่รู้อริยสัจ สังขารก็คือเจตนา3อย่างวิญญาณก็คือปฏิสนธิวิญญาณอันหนึ่งกับวิญญาณที่เกิดขึ้นขณะที่มีผัสสะางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีวิญญาณรูปนามคืออะไรรูปนามอธิบายรูปนามขันหนแล้วก็สลายตระหอธิบายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอธิบายเป็นทอดทอดทอดเป็นอธิบายสับไป แต่อ่านแล้วนะหลวงพ่อโง่หนะไม่สามารถลิงก์ได้ระหว่าแต่ละตัวอวิชาไม่เกี่ยวอะไรกับสังขารสังขารเกี่ยวอะไรกับวิญญาณวิญญาณเกี่ยวอะไรกับนามรูปรู้แต่ว่าแต่ละตัวมีองค์ประกอบอะไรรู้แค่นั้นเองไม่รู้วมันสามพันกันยังไงทํางานยังไงรนะวมความก็คือยังไม่รู้อยู่ดีจากการอ่านนะไม่เข้าใจ แม่เจะหลงุดดุลแล้วนะก็ามาหัดดูจิต ด, ดูใจตัวเองลืมปฏิจจสมุปบาทไปล้วพอมาหัดดูจิตใจของเราเห็นใจิตใจมันทํางานเห็นเลยว่ามันเริ่มทํางานเมื่อตามองเห็นนะเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสนะใจคิดนึกเนะี่ยพอมีการกระทบอารมณ์นะระหว่างอายตนาภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจครับอายตนาภายนอกกระทบกัน รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ทำอารมณ์พอกระทบกันปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นกระทบอารมณ์อย่างนี้มีความรู้สึกสุขเกิดขึ้นกระทบอารมณ์อย่างนี้มีความทุกข์เกิดขึ้นกระทบอารมณ์อย่างนี้เฉยๆค่อยภาวนาไปเรื่อยต่อไปก็เห็นอีกเวลามีความสุขเกิดขึ้นนะราคะก็แทรกเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะโทสะก็แทรก เวลาจับอารมณ์ได้ไม่มั่นไม่รู้จะสุขหรือทุกข์นะโมหะก็แทรกดูอะไรไม่รู้เรื่องเพราะกิเลแสแทรกนะก็เกิดความอยากอยากไปตามอำนาจของกิเลส้าราค้าแทรกนะก็อยากมีอยากเป็นอยากได้นะโทสะแทรกก็อยากให้มันหายไปโมหะแทรกนะดูไม่รู้เรื่องเลยก็นะเริ่มเห็นกระบวนการของปฏิจจสมบทมันเป็นท่อนปลายพวกเราตอนนี้คนภาวนา เห็นกันเยอะแยะนะพวกเราก็เห็นสิ่งที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเราจะรู้เลยพอตามันเห็นนะมันส่งสัญญาณมาที่ใจมีการแปลค่านะแล้วมันก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆได้เองนะก็เกิดสุกขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆนะกิเลสจะแทรกเข้ามามีความสุขราคะก็แทรกมีความทุกข์โทรธสาก็แทรกเฉยๆมุขหาก็ไปกินพอมีกิเลสเกิดขึ้นนะใจจะมีความอยากมีตัณหาเกิดขึ้น อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ได้อยากให้หายไปจะค่อยๆหัดดูไปด้วยนะต่อไปก็เห็นอีกเวลาใจมันมีความอยากขึ้นนะมันรู้สึกจริงจังนะอะไรๆก็ดูจริงจังไปหมดเลยเข้าไปยึดถือแล้วก็จิตจะเกิดการดิ้นรนดิ้นรนทํางานไปตามแรงผลักของตัณหาของความอยาก ถ้าอยากมีอยากเป็นอยากได้ก็เที่ยวสแสวงหาอารมณ์แล้วก็ได้อารมณ์ที่พอใจมาก็รักษาอารมณ์ น, นั้นไว้การเที่ยวสแสวงหาอารมณ์การรักษาอารมณ์นี่ก็เป็นภพคือการทำงานของจิตการทางานของจิตใจนี่นแหละเรียกว่ากรรมภพที่ว่าตัณหาเป็นเหตุของอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยของภพภพก็คือการดิ้นรนของใจเราเองมีความอยากขึ้นมานะ แลวรุนแรงความอยากอย่างรุนแรงนั่นแหละนะเียว่าอุปาทานนะใจมันจะดิ้นไปตามแรงอยากนะเช่นอยากได้ความสุขก็ดิ้นรนหาความสุขวิ่งไปดูรูปหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปฟังเสียงหวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปดมกลิน่นหวังว่ามีความสุขวิ่งไปหาของอร่อยๆกินหะวังว่ามีความสุขวิ่งไปหาสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายนะ อากาศร้อนก็ไปซื้อแอร์มาติดอากาศหนาวก็ติดฮีเตอร์อะไรนะหาเสื้อผ้าหาอะไรใส่ให้สบายนะแล้วเ่ยวหาความสุขหรือคิดเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินไปคิดเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินท้าเรียกว่ากามมาทำเป็นกรรมทางใจนะศัย ส, สัญญาใัยความจําในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนะีเอามาปรุงทางใจเป็นกรรมมาทำ เวลาโทสะแย่เกิดขึ้นนะก็อยากตรักอะไรเป็นเหตุให้โทสะเกิดสมมติว่าคนคนนี้แหละเห็นหน้าคนนี้ก็โกรธก็อยากปรับคนนี้ออกจากชีวิตเราอยากให้มันหายสาบสูญไปเลยให้มันตายไปเลยหรือว่าให้มันหลงไปอยู่ที่อื่นไม่เจอกับเราอีกล้อย่างนี้อยากปฏิเสธ เ, เวลามีโทสะแทรกนะมันก็พยายามปฏิเสธอารมณ์ ไม่อยากได้เห็นรูปอย่างนี้ไม่อยากได้ยินเสียงอย่างนี้ไม่อยากได้กลิ่นอย่างนี้ไม่อยากได้รสอย่างนี้ไม่อยากได้สัมผัสแบบนี้นะไม่อยากคิดนึกเรื่องนี้เคยไหมไม่อยากคิดไม่อยากคิดเรื่องนี้เลยยิ่งไม่อยากยิ่งคิดใช่ไหมเออความอยากความไม่อยากใมมันเบื้องหลังมันก็คือมันมาจากกิเลสตัณหานแหละนะมันทำให้เกิดการยิ้นรน ดิ้นรนเพื่อจะดึงเข้าหาตัวเองดิ้นรนเพื่อจะผลักออกไปนะก็เป็นเป็นตัวสร้างภพภายในใจเราเป็นภพที่ดีบ้างดิ้นไปนในทางดีก็เป็นภพที่ดีนะดิ้นไปนในทางเลวก็ภพที่เลวนะส่วนใหญ่อย่างพวกเราเนี้ยยังดิ้นสแสวงหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นหลักนะอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเขาเรียกกามคุณอารมณ์ งัจิตยอย่างพวกเราธรรมดาธรรมดาของมนุษย์เนี่ยมันเขาเรียกว่าอยู่ในกา ม, มาวาจร ะ, ะภูมิคือจรไปในกามก็จอนไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสวันๆหนึ่งหมกมุ่ น, น, นแต่เรื่องพวกนี้นะถ้าภาวนาไปเรื่อยก็พบว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรยังหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ก็ไปติดที่ความสุขสงบทางใจนะติดในการเพ่งรูปนะให้สงบ ให้จิตสงบเรียกรูปประราคะพอใจในความสงบจากการเพ่งรูปบางคนเพ่งนมามธรรมเพ่งความว่างเพ่งจิตเพ่งความไม่มีอะไรเลยอะไรเนี้ยนะก็มีความสุขมีความพอใจในการเพ่งของไม่มีก็ไปเรียกว่าอารูปประราคานะเนี้ยมันจะมีนะเป็นรูปประพบอารูปประพบนะกา ม, มาวจัจจอแล้วก็รูปประภูมิอารูปประภูมินะ ใใจมันจะหมุนหมุนอยู่ในภพภูมิต่างๆเวียนว่ายตายเกิดไปเวียนว่ายตายเกิดยังไงเดี๋ยวจิตไปจับอารมณ์ที่ดีแล้วก็เป็นภพที่ดีเดี๋ยวจิตไปจับอารมณ์ที่เลววก็เป็นภพที่เลวในใจเราเนี่ยเกิดเกิดตายตายวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งเคยเห็นยังเห็นไหมว่าปเดี๋ยวก็เป็นภพที่ดีในใจเราปรเดี๋ยวก็ร้ายใช่หเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์หมุนไปเรื่อยเลย เดี๋ยวก็หลงกับโลกเดี๋ยวก็อยากเข้าวัดอีกแล้วนะอยากภาวนามาภาวนาได้นิดหน่อยคิดถึงที่บ้านนะเดี๋ยวก็อยู่บ้านอยากมาฟังเทศอุตส่าหตื่นมาตีสาตีสี่ก็มีนะมาฟังหลวงพ่อโปรโมทเทศท่านะที่หลว ง, งพ่อเทศตั้ง8ดโมงครึง่งนะเราก็ต้องตื่นเร็วๆอะไรนีอยากฟังเทศมากเลยพอถึงเวลาฟังเทศได้เวลาง่วงพอดีเลยนะรู้อย่างนี้นอนอยู่บ้านดีกว่า เนี่ยใจเราเนะเปลี่ยนพบตลอดเลยจากพบของเทวดาพบของมนุษย์อยากฟังธรรมนะแล้วกลายเป็นพบงูเหลือมงูหลามอยากนอนเนี่ยเราเปลี่ยนสายพันธุ์กำเนิดของเราตลอดเวลานะเดี๋ยวก็เป็นหมูเป็นหมาเป็นอะไรต่ออะไรไปเป็นเปรตเวลาโลบมากก็เป็นเปรตเวลาจะตักอาหารเขาเรียงข้าวไ้ยที่นี่มีไหม ในบางที่อย่างที่วัดหลวงพ่อค้าตักอาหารแล้วอาอาหารมาวางโยมไปตักอาหารข้าแถวเปรตที่เกิดขึ้นยืดคอของอร่อยอยู่ที่ไหนเห็นไหมก็ว่าเปรตตัวยาวๆเห็นไหมไม่มีว่าเปรตเ ต, เ ต, เตี้ยๆเห็นไหมยืดๆแล้วเจ้าดูมันโลภใจมันโลภเนี่ยใจเราไปเปรตไปเรียบร้อยแล้วนะปรากฏว่าของอร่อยถูกเขาตัดไปตัดไปโทสะเกิด เกิดความไม่แช่มชื่นใจขณะนั้นเราเป็นสัตว์นรกไปแล้วนะาใจไม่มีความสุขเลยใจมีความทุกข์เกิดขึ้นโถไข่พะโลลูกสุดท้ายหายไปแล้วนะทําไมมันต้องมาเป็นอนัตตาก่อนจะถึงเราจะมาเป็นอนัตตาที่เราเราไม่ว่าเลยเนะี่ยใจเรานะับเปลี่ยนพบตลอดเวลานะเดี๋ยวก็เป็นพบที่ดีเดี๋ยวก็เป็นพบที่ร้ายนะ เดียเป็นพบที่มีความสุขเดือว่าเป็นพบที่มีความทุกข์นะั้นหมุนอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยการที่มันเปลี่ยนพบได้นะไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีเหตุปัจจัยเชื่อมโยงมาตลอดเลยตั้งแต่ตามองเห็นรูปเกนะิดการตีความเกิดการให้ค่าของรูปว่ารูปนี้ดีรูปนี้ไม่ดีรูปนี้ดีนะก็พอใจมีความสุขรูปนี้ไม่ดีก็มีความทุกข์มีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกิเลสก็แทรกเข้าไป กิเลสแทรก็ผลักดันให้ตัณหาทํางานให้อยากไปตามอํานาจของกิเลสพออยากแล้วจิตก็เกิดความดินน้นรนเปลี่ยนภพไปเรื่อยๆชั่วโมงหนึ่งเราเปลี่ยนภพตั้งเยอะนะครูบาอาจารย์ชอบพูดเรื่องภพน้อยภพใหญ่ภพใหญ่ก็คือภพโดยการเกิดภพน้อยเนี่ยเป็นภพโดยกรรมแต่ละขณะแต่ละขณะภพใหญ่เรียกว่าอุปาติภพอย่างพวกเราทุกคนเนี่ย มีอุปัติภพเป็นมนุษย์อุปัติภพก็คืออุบัตินั่นแหละพบโดยการอุบัติขึ้นมาโดยการเกิดอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์แต่พอเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนะเราเปลี่ยนพบภายในแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเนะฝ้ารู้เฝ้าดูที่ใจที่มันเปลี่ยนพบไปเรื่อยๆ สุดทายไมจะเห็นนะว่าพบทั้งหลายเปนของชั่วคราวทั้งหมดเลยแล้วพบที่ดีก็ชั่วคราวพบที่ชั่วก็ชั่วคราวนะแล้วพบเปรดก็เปรดชั่วคราวเป็นสัตว์เดรัจฉานมีโมหะมากก็โมหะชั่วคราวจะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเซลัจจัดนีเป็นอสุรกายขึ้นมาก็เป็นชั่วคราวหรือเป็นมนุษย์มีศีลรรมีศีลห้าอยู่เป็นมนุษย์ก็มีศีล5ชั่วคราวถ้าศีลแหบ่งไปก็ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้ว ในขณะนี้ตัวเรายังเป็นมนุษย์พอเราไม่มีศีล น, นะใจเราลงอบายทันทีเลยในขณะนั้นเราลงอบายเรียบร้อยแล้วเราสเสวยพบย่อยๆในขณะนี้แหละเปลี่ยนไปพบที่ไม่ดีซะแล้วพบที่ถูกความโลภครอบงำํำถูกความโกรธครอบงําถูกความหลงครอบงําความหลงครอบงำเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานบางทีครูบาอาจารย์ท่านบอกนะ ตกนรกดีกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าอย่างนี้นะไม่รู้ในพระไตรปิฎกมีหรือเปล่าแต่ว่าพิจารณาดูก็จริงนะสัตว์นรกมันไปรับผลกรรมชั่วนะเดีย๋ยวมันก็ขึ้นมาสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอกาสลงไปอีกก็มีแล้าเป็นเดรัจฉานแล้วไปจะขึ้นมาพัฒนามาเป็นคนนะยากมากเลยยากร้อยละหนึ่งก็ยากนะสมมติลงนรกไปอีกขึ้นมาก็มาว น, นเวียนอยู่ในภูมิต่ตํตนาๆน่าน วนเวียนอยู่นานกว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้อย่างพวกเร า, าพวกเราถือว่าเป็นพวกมีบุญวาสนานะได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบมีตาก็ยังของมองเห็นมีหูก็ยังได้ยินเสียงมีใจก็ไม่เป็นบ้าคิดนึกอะไรได้เหตุได้ผลมีบุญวัสนาแนละ้วแล้วก็ยังได้ฟังธรรมด้วยนี่บุญมากใหญ่คนในโลกตั้งหลายพันล้านคนที่ได้ฟังธรรมแท้ๆมีไม่มากหรอก กระทั่งคนไทยก็ไม่ค่อยได้ฟังทำแท้ๆนะก็จะฟังแต่บางส่วนส่วนมากพระก็จะสอนให้ทําทานให้ไรเนี่ยทำทานยิ่งโยมทําทานมากก็ยิ่งชอบเนาะก็ได้รับสักการะได้ไรเรื่องศีลสอนให้โยมตือศีล เ, เ, เรื่องนั่งสมาธิสอนให้ทําใจสงบแล้วนะพอถึงเรื่องปัญญานะ่ยไม่ค่อยได้ยินได้ฟัง อย่สิ่งที่หลวงพ่ อ, อามาสอนพวกเราได้แต่บวชมาหรือก่อนบวชที่หลวงพ่อสอนมาเนี่ยเป็นเรื่องเจริญปัญญาซะเยอะเลยการมีศีล น, นะก็เพื่อเป็นพื้นฐานให้จิตมีสมาธิมีสมาธิก็มีสมาธิาธาธให้ถูกชนิดต้องการความสงบเพื่อน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องต้องการได้สมาธิที่ใช้เดินปัญญาก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งไปจิตมันไหลไป จิตก็จะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาเอาไว้เดินปัญญาเนี่ยสมาธิก็มีหลายแบบทําไมต้องสอนสมาธิสองอย่างแล้วนะเวลาเจริญปัญญาไปแล้วเหนื่อยเราทําสมถธะพักผ่อนนะพักผ่อนพอสมควรแล้วเราปรับสมาธิขึ้นมาเป็นสมาธิที่ทํางานนะสมาธิที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นออกมาเจริญปัญญามาดูกายทํางานมาดูใจทํางานด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางนั่นที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะเป็นเรื่อง มุ่งมาสู่การเจริญปัญญานะไม่สอนแล้วหยุดอยู่แค่ทําทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิให้สงบแค่นั้นไม่พอเยวเราจะไม่ได้อัตถรรตไม่ได้คุณค่าที่แท้จริงในคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเดินปัญญาไม่เป็นเจริญปัญญาไม่เป็นยังไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงหรอกเพราะว่าการทําทานการถือศีลการนั่งสมาธินะศา ส, สนาอื่นก็มี อย่างมุลสลิมละหมาดวันละหครั้งนี่ก็คือหลักของสมาธิเขาคิดถึงพระเจ้าคิดถึงพระเจ้าผิดไหมไม่ผิดในทางศาสนาพุทธเรียกว่าเทวตานุสติคิดถึงเทวดาแต่ไม่ใช่คิดถึงเทวดาเป็นองค์ๆถ้าหลักของพุทธเนี่ยจะคิดถึงธรรมะที่ทําให้คนเป็นเทวดาธรรมะที่ให้คนเป็นเทวดาก็มีศีลห้านะแล้วก็มีหีริวตัตปะ ละอายใจที่จะทําบาปนะเราเกรงกลัวผลของการทําบาปเนี่ยเราก็คิดถึงโอ้คนที่เขาเวลาจะทําบาปเขาก็ละอายใจนะแล้วเขาก็กลัวผลบาปนะคิดถึงนี่เรียกว่าเทวตานุสติที่แท้จริงนะทางคิดถึงพระอินทร์พระพรหมพระพิฆเนศพระน้นพระนีน่นนนนให้มาช่วยเราเนี่ยยังไม่จัดว่าถึงขั้นเทวตานุสติที่แท้จริงในศาสนาพุทธแต่การที่คิดถึงเทวดาก็เหมือนคิดถึงคนดี คิดถึงคนดีก็ดีกว่าคิดถึงคนชั่วเห็นไหมคิดถึงคนดีเราสบายใจใจได้ความสุขได้ความสงบเหมือนกันเนี่ยเรื่องสมาธินะศาสนาอื่นก็มีพวกคริสต์เขาก็ไปเล่นออแกนร้องเพลงนะสรรเสริญพระเจ้าจิตใจก็สงบสบายนั่นเรื่องของสมาธิบางทีเขาก็นับประคํำเขาก็มีเหมือนกันรูปประคำมีศาสนาต่างๆมีกันทั้งนั้นรูปประคำนะส่วนใหญ่มันก็เรื่องของสมาธิ แต่เรื่องปัญญาเนี่ยไม่มีใครเหมือนศา ส, สนาพุทธเนี่ยไม่มีที่อื่นเหมือนเลยเรื่องเจริญปัญญาท่านเจ้าคุณไปยุทธ์น่ยท่านไปเตือนพวกเราอย่างหนึ่งบอกว่าเวลาพูดถึงศาสนาอื่นนะแล้วจะพูดว่าเขาดีอ่ะให้บอกว่าเขาดีด้วยกันอย่าบอกว่าดีเหมือนกันไม่เหมือนไม่มีศาสนาไหนเหมือนศาสนาพุทธหรอกศาสนาพุทธจะไปเหมือนใครพระเจ้าก็ไม่มีไหม ให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อมั่นในความสามารถในความเป็นมนุษย์ของเราเองแล้วก็สอนให้ดูกระบวนการทํางานดูให้รู้เหตุรู้ผลเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีอย่างนี้ไม่มีคําสอนในที่อื่นที่อื่นจะเป็นแต่ว่าให้เชื่อถ้ามีศรัทธานะแล้วก็ทําอย่างนี้นะแล้วชีวิตจะมีความสุขจะเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มจากความเชื่อาศาสนาพุทธไม่ได้เริ่มที่ตรงนั้นนเท่านจะสอนแจกแจงสภาวธรรมให้พวกเรารู้จัก พอพวกเรารู้จักสภาวธรรมรู้วิธีปฏิบัติแล้วท่านก็ชักชวนให้ปฏิบัติพอชักชวนให้ปฏิบัติแล้วถ้าพวกเรามีปัญหาติดขัดในการปฏิบัติท่านก็ตอบปัญหาให้ตรวจการบ้านให้แก้ไขให้ถ้าพวกเราปฏิบัติได้ดีแล้วท่านก็เชียร์ให้ทำให้ดียิ่งขึ้นนี่ลักษณะแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามีองค์สี่ประการแจกแจงให้รู้เรื่อง ชักชวนให้ปฏิบัติช่วยแก้ปัญหาที่ติดขัดในการปฏิบัติแล้วก็ให้กําลังใจปลุกเรา้าให้ฮึกเหิมในการปฏิบัติเนะี่ยธรรมะที่ดีนะจะต้อเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่หงอยๆอยพูดแล้วซึมไปเรื่อยๆนะคนเทศก็หลับคนฟังก็หลับชานั่งเทศเทศนะหลับไปตั้งนานแนละ้วโยมยังไม่รู้เลยทำไมโยมไม่รู้ก็โ ย, โยมก็หลับเหมือนกันเอออย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อะไรนะ แต่ก็ได้เหมือนกันได้สบายใจอันนี้ไม่ได้ว่าคนไหนนะเห็นมาด้วยตัวเองสมัยก่อนนะ่ะโลวงพ่อเข้าวัดตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่ยังเดินไม่ได้ผู้ใหญ่อุ้มไปนะเอาไปนอนเอาบาะเล็กๆไปด้วยนะให้นอนอยู่ข้างธรรมม่านะ่ฟังพระเทศฟังไม่รู้เรื่องหรอกนั้นคลุกอยู่กับวัดมาตั้งแต่เล็กๆเลยพอโตขึ้นมาหน่อยเห็นมิแต่คนหลับะพระท่านก็เอาอะไรกั้นลม แล้วก็ตอนไหนไม่น่าฟังนะเราก็ไปวิ่งไปเล่นตอนไหนมีนิยายเราก็กลับมาตอนที่มีนิยายเนี่ยโยมที่หลับอยู่นะก็ตื่นตื่นมาฟังนิยายตะบันหมากไปด้วยอะแล้วฟังนิยายยิ้มแย้มนะเช็ดน้ำหมากเนี่ย <c oughs> ถ้าอย่างนี้ยังไม่ได้เป็นชาวพุทธนะต้องจเจริญปัญญาให้ได้จริงๆดูเข้าไปดูเข้าไปเลยดูไปดูไปนะไม่ว่าจะ ทำกรรมฐานอะไรสุดท้ายมันก็ลงมาที่ปฏิจจสุปบาทเองนะดูกายเป็นหลักไว้มีจิตเป็นคนดูนะก็จะเห็นกระบวนการทํางานนะมีกายอยู่เหรอมีกายก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายไปกระทบอารมณ์นะก็เกิดความรู้สึกทางใจเกิดความรู้สึกทางใจแล้วก็เกิดความดิ้นรนทางใจเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาก็นะาเห็นกระบวนการนะส่วนปฏิจจบาทส่วนต้นนะยังไม่เห็นหรอก เราจะเห็นท่อนปลายก่อนเห็นตั้งแต่มีอายตนะมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีการกระทบอารมณ์มีตาแล้วก็เห็นรูปมีหูแล้วได้ยินเสียงเราก็ค่อยๆทํางานสืบเนื่องไปน ะ, ะเดีวราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปบางคนไม่ได้เริ่มจากกายดูจิตไปเลยือจิตไปเลย way, ก็ได้มันก็จะเห็นอยู่ดีแหละว่าจิตมันเปลี่ยนเพราะตามันเห็นรูปจิตมันเปลี่ยนเพราะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัส แถมเห็นตอบอีกว่าไม่มีอะไรกระทบนะสัญญาผุดขึ้นมาจิตก็เปลี่ยนได้นะนึกถึงคนนี้ขึ้นมานะเกิดรักนึกถึงคนนี้ขึ้นมาเกิดเกลียดนะนึกถึงคนนี้แล้วห่วงหาอาบณ์หายไปไหนไม่เจอตั้งนานแล้วไม่เจอตั้ง12บชั่วโมงแล้วอันนี้พวกที่ตกลุ่มรักใหม่ๆนะโอ้ไม่เจอตั้ง12ชั่วโมงใจจะขาดแนละ้วนอะไรนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่เป็นปัญหาเหมือนคนรุ่นโบราณหรอก เดี๋ยนี้ก็โทรศัพท์ก็เห็นน้องเห็นหน้านะบางคนหน้าตาเขาไม่น่าดนะูมาออกจอให้เขาดูด้วยค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกไปนะดูกายเขาทํางานดูใจเ้าทํางานฝึกไปสุดท้ายเราจะเห็นเลยมันเป็นกระ บ, บวนการทั้งหมดเลยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตาไม่ใช่คนหูไม่ใช่คนจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่คนหรอกนะเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่ง เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยกระทบอารมณ์การกระทบอารมณ์มีผัดสะผัดสะก็ไม่ใช่คนกระทบอารมณ์แล้วเกิดความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่คนมีความสุขความทุกข์แล้วก็เกิดตัณหาเกิดอยากมีอยากเป็นอยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้ความอยากทั้งหลายก็ไม่ใช่กคนดูไปเรื่อยความอยากเกิดขึ้นแล้วก็เกิดเข้าไปยึดถือการยึดถือ จิตมันก็หยิบของมันเองไม่ใช่เราหยิบนะจิตมันก็หยิบเวยอารมณ์ของมันเองเราไม่ได้ไปหยิบหรอกนะมันไม่ใช่คนอีกแล้วจิตนี้มันก็ไม่ใช่คนนะมันไปหยิบอารมณ์อารมณ์ก็ไม่ใช่คนจิตมันก็ไม่ใช่คนมันทำงานของมันอย่างนั้นนะไปหยิบขึ้นมาแล้วความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ก็ไม่ใช่คนอีกนะเนี่ยเฝ้าดูลงไปเสร็จแล้วเออไม่มีคนนะสุดท้ายนจะเหลือแต่กระบวนการทํางานต่อเนื <nin> ่องกันไปเรื่อยๆของรูปธรรมนามธรรม ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาอันนี้พูดง่ายนะจะต้องปฏิบัติให้มากถึงจะเห็นด้วยใจไม่ใช่จําด้วยหูเอาหูไปฟังแนละ้วแล้วก็เอาสมองไปจําไว้ไม่ได้ประโยชน์อะไรพอแก่แล้วสมองเสื่อมนะธรรมะก็เสื่อมไปด้วยเลยเพราะว่าธรรมะจากการจำนะไม่เหมือนธรรมะจากการปฏิบัตินะไม่เสื่อมอยู่แนบใจอยู่อย่างนั้นไม่มีปั่นคลอนแคลนไปเลยถ้าภาวนาจนใจมันเห็นจริงแล้วนะ อย่างใจที่ฝึกไว้ดีเนี่ยจะไม่เข้าไปยึดถืออะไรเลยนะไม่ยึดถือกระทั่งตัวเองถึงไม่รักษาไม่ประคองไว้นะก็ไม่เข้าไปจับไม่ยึดอะไรทั้งสิ้นเป็นอัตโนมัติไปหมดเลยมันทําแล้วมันสิ้นสุดเลยไม่ต้องทําอีกแล้วนะมันไม่เหมือนงานอย่างอื่นนะทำเป็นกล่าวๆแล้วปัญญามอย่างแทงไม่ตลอดงั้นพวกเราค่อยๆฝึกขั้นแรกเลยนะถือศีล5้าไว้ก่อน ตรงนี้สำคัญมากเลยทำไมต้องย้าเรื่อยๆคนทุกวันนี้ไม่เอาศีลแล้วบ้านเมืองถึงได้ร้อนเป็นไฟในชะ่ไหมไม่มีศีลเลยในวงการไหนบ้างล่ะที่ยังรักษาศีลอยู่มีไหมคงมีบ้างนะแต่มันไม่ค่อยมีข่าวนะข่าวออกมาทีไรเป็นข่าวไม่มีศีลทั้งนั้นเลยนี่คนทุ่ศีลมันเต็มบ้านเต็มเมืองนะ แล้วเราก็ไม่มีความมั่นใจเลยว่าใครมีศีลมีธรรมบ้างเราไม่สามารถรู้ได้นะว่าใครมีศีลมีธรรมได้แต่ตัวเรามีหรือเปล่าเรารู้ได้นะเพราะงั้นเราไม่ต้องไปหวังว่าคนอื่นเขาจะมีศีลอย่าไปเพิ่งหวังไกลตัวตัวเรามีศีลหรือเปล่าตัวนี้สําคัญตาหากเขาไม่มีศีล น, นะก็เรื่องของเขานะแต่ว่าถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยเราจะทุกข์เอง นั้นเราสํารวจใจของเราทุกวันทุกวันนะศีลเราดังพล้อยไหมถ้าศีลดังพลอยนะก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆปรับไปเป็นคารวาเนี่ยจะถือศีลให้สะอาดหมดจดจริงๆทาได้ยากทําไม่ได้หรอกนะก็ต้องกระพร่องกับแรงบ้างแต่ก็เพราอว่าแพ่งแล้วก็รู้นะว่านี่ทําไม่ถูกนะในใจต้องรู้ไว้ก่อนว่านี่ทําไม่ถูกหรอกรู้ว่าทําไม่ถูกนะมีทางไหนที่จะไม่ต้องทําก็ค่อยๆปรับไปยากมากเลย หรือข้าศีนข้อ ส, อสถือยากมากเลยนะเมื่อวานอย่างเทศที่วัดบอกว่ามีพระท่านเดินจงกรมอยู่ผู้ลายวิ่งหนีตำรวจมาตำรวจถือปืนถือมีดจะมาไล่ฝันผู้ลายหนีแว๊บไปพระเนี่ยท่านย้ายที่เลยที่แรกเดินจงกรมอยู่ตรงนี้ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ตามมาถึงนะ หลวงพ่อหลวงพ่อเห็นผู้ร้ายวิ่งมาทางนี้ไหมถ้าบอกเขานะเราเข้าไปฆ่ากันนะฆ่าบาปด้วยนะถ้าไม่บอกก็เป็นพลเมืองไม่ดีกลายเป็นโกหกอีกนะเป็นมูสาอีกก็เห็นอยู่แล้วบอกไม่เห็นได้ไงนี่ท่านย้ายที่แล้วท่านตอบเลยว่าเอ๊ะอาตมาเดินจ ง, จงกรมอยู่ตรงนี้ไม่เห็นใครวิ่งมาเลยนะเห็นโยมคนแรกเนี่ยนะแล้วเขาก็ไปจับของเ้าตามเวรตามกรรมนะมันลาบากนะหลวงพ่อเองสมัยก่อนก็ลําบาก ทำงานเราเป็นข้าราช ก, การผู้น้อยอเจ้านายมันสั่งว่าใครโทรมาถึงพี่เธอบอกเลยนะว่าพี่ไม่อยู่ไปไประชุมใครคๆเจอแม้อย่างเนี้เวรได้แท้ด้วยเราอเอ้าแล้วเหรอเราอุตส่าห์ถือศีลนะสมาทานศีลตั้งแต่ตื่นนอนรักษาของเรามาเรื่อยๆพอเขาโทรมาขอให้เป็นเรื่องอื่นน่ะถามว่าคนนี้อยู่ไหมเอาก็าแล้วสิเนาะแล้วก็ห่างๆเลยพี่เขาสั่งให้บอกว่าไม่อยู่ครับ แต่ใจแป้วเลยนะใจหมองนิดหนึ่งก็หมองลนะเนะี่ยแต่ว่าแม้จะไม่ให้หมองเลยไม่ได้นะไม่รู้จะทำยังไงนั่นเป็นคารวาสนะยากนะยากแต่ไม่ได้ชวนให้ทุกคนออกบวชนะทุกคนออกบวชมากๆกก็กสังคมอยู่ไม่ไหวแต่ถ้าให้นักบวชขาดช่วงไปนะ อันตรายมากเลยถ้าเมื่อไหร่หวงของพุทธเจ้าขาดไปไม่มีพระสึบช่วงนะต่อไปเวลาเราภาวนาถึงขั้นละเอียดเนี่ยเราจะภาวนาไปไม่ได้เพราะว่าเพศของพระเท่านั้นอ่ะหรือเพศของฉีนะในยุคนี้นะมันเหมาะกับการภาวนาเพศฆราวาสเนี่ยไม่เหมาะกับการปฏิบัติในขั้นละเอียดแตขั้นต้นๆโสดาสกตถาฆราวาสก็ทําได้นะแต่ขั้นละเอียดเนี่ยทำทำยากมากเลย คาวาะยังวุ่นวายอยู่กับกามเดี๋ยวก็อยากกินเดี๋ยวก็อยากนอนอยากเที่ยวอยากแต่งตัวแล้วก็ทำได้ทุกอย่างเลยถ้ามีเงินพอใช่ไถ้าไม่มีเงินพอก็ไปกู้เข้ามาเรื่องกู้ก็ระวังนะหนี้สินภาคเอกชนเรานะท่วมท้นแล้วนะเฉะลีย่ยครอบครัวตั้งสองแสนกว่าแล้วนะพวกสนับสนุนให้เราเป็นหนี้ต้องมีสติมีปัญญาให้ดีนะไม่งั้นมันจะล้มละลายกันทั้งระบบ หลวงพ่อนะสงสารลูกศิษย์หลงพ่อนะลูกศิษย์หลวงพ่อส่วนใหญ่ไม่ใช่คนรวยเป็นชนชั้นกลางระดับล่างนะแ้วก็ถ้าดำรงชีวิตไม่ฉลาดนะเป็นหนี้เป็นสินนะชีวิตอับเฉาเลยอย่าว่าแต่จะภาวนาอนะไรนั้นแค่ไม่ให้ติดคุกติดตารางก็ยากแล้วล่ะฉะนั้นเรามีสตินะเสีย บ, บริโภคอะไรดูเท่าที่จำเป็นจริงๆนะพราะเราอยู่ไม่ได้หรอกในสังคมที่คนกินคนแบบนี้มันหลอกให้เราบริโภคให้มากๆ มีสตินะคอรู้เท่าทันกิเลสของเราชีวิตทางโลกก็จะสบายขึ้นในทางธรรมก็จะก้าวหน้ายัางไม่พร้อมจะเป็นนักบวชก็อยู่เป็นฆราวาสทำหน้าที่ของฆราวาสให้สมบูรณ์ถ้าทิ้งหน้าที่ของฆราวาส ร, ระวังว่าจะไปเป็นนักบวชที่สมบูรณ์แล้วเข้าใจผิดละกระทั้งเป็นฆราวาสที่ดียังเป็นไม่ได้จะเป็นนักบวชที่ดีเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลย อย่างบางคนมีพ่อมีแม่มีครอบครัวมีลูกอะไรเงี้ยต้องดูแลนะมีหน้าที่ต้องดูแลไม่ใช่ฉันจะออกไปบวชชีพรามแนละ้วลูกนี้ลูกของเธอไม่ใช่ลูกของฉันต่อไปแล้วนะพูดเอาง่ายๆนะสร้างปัญหาให้สังคมอีกเสียละใจไม่สงบจริงนะหลวงพ่อนะกว่าจะบวชได้อายุตั้ง4นะี่สิบดเนี่ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่พอแม่ตายไปนะก็เหลือพ่อคนนึง ใจมันก็คอยนึกนะเมื่อไหรเราจะได้บวชถ้าแปลอีกทีเมื่อไหร่พ่อจะตายดูไปดูมามันน่าเกลียดไหมถ้าจะบาป <c oughs> เลยไปชวนพ่อไปอยู่วัดด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> พ่อก็ดีนะหลวงพ่อรู้ว่าเราอยากบวช ไ, ไปอยู่วัดจะไปตายที่วัดะได้ตายที่วัดได้อยู่ในแวดวงแต่เวลาออกบวชแล้วนะหลวพ่อสบายใจ หันมามองข้างหลังไม่มีอะไรต้องห่วงเลยเสียทุกสิ่งทุกอย่างตอนทํางานเก็บเงินไว้นะไม่ค่อยใช้เงินเราใช้แต่โบนัสก็โบนัสมันเยอะเพียงห้าเดือนเหลือเฟือเราไม่ได้บริโภคอะไรเยอะนี่ไม่ใช่ต้องบินไปกินข้าวที่ฮ่องกงอะไรย่างนี้ไม่เคยนะอไม่มีหรอกอย่างมากก็ไปสยามจัดโก้หน้าบ้านแค่นั้นเลย น, นะเก็บเงินเอาไว้ให้ผู้หญิงผู้หญิงไม่มีใครเลี้ยงนะ สังคมไม่เลี้ยงผู้หญิงนะก็ะเก็บเงินไว้จะไปบวชชีจะอะไรก็ต้องมีสตังนะไม่ใช่ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีใครเขาเลี้ยงหรอกยิ่งวันนี้ต่อไปเนะี่ยยิ่งลำบากพระยังเลี้ยงตัวเองไม่รอดเลยเดินบินธบาทก็ได้เห็นแต่สุญญาตาเมื่อกี้นะบางวันโอ้สุญญาตาเต็มบาทเลยนะลำบากนะยังไงก็รักษาพระไว้นะ วิธีรักษาพระเนี่ยต้องรู้จักธรรมวินัยด้วยรู้ว่าอันไหนพระจริงพระเก๋อะไรเนี่ยเป็นวิธีรักษาพระไว้ถ้าเราไปยกย่องพระเร็วๆนะไม่ใช่พระหรอกมันปลอมมาแล้วก็ทําให้เสียหายในภาพรวมส่วนพระดีๆมีมากนะพระที่มีศีลมีธรรมไม่ใช่หมายถึงพระริยะนะหมายถึงพระที่ท่านมีศีลมีธรรมก็มีเยอะแต่มันไม่มีข่าวเคยมีข่าวไหม พระวัดนี้ถือศีลเคร่งครัดออกหนะังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมีไหมไม่มีหรอกมีแต่เรื่องไม่ดีไม่ดีเนาะุคนที่ไม่เข้าใจธรรมะนี่ก็แข่งพวกเราก็ต้องรู้จักนะไปสนับสนุนคนไม่ดีก็เท่ากับทําลายศาสนาทางอ้อมนั้นต้องเรียนนะต้าเรียนธรรมะพอเราเข้าใจธรรมะยิ่งเราภานาชํานี้ชํานาญบางคนมีหูมีตาขึ้นมาดูปลาดก็รู้แล้วว่าตัวจริงตัวปลอมดูไม่ยากหรอก ถ้าตัวปลอบนะมันจะดำดำนะไม่ใช่ผิวนะอถ้าตัวดำดำก็มีนะหน้าตามันจะมองๆนะหน้าตาเหมือนปรารถนามาจากลิงใหม่ๆอะไรเงี้ยะดูไม่ค่อยจะได้บางองค์ทั้งเขี่ยวทั้งแก่นะแต่ดูสดใสนะเข้าใกล้แล้วร่มเย็นเป็นสุขถ้าเข้าใกล้แล้วร้อนนะ่ะโดยเฉพาะถ้ากระเป๋าร้อนนะออกห่างไว้เลยนะ ถ้ารู้จักเลือกนะไมงั้นเราจะเศร้าหมองเองธรรมะของพระเจ้าเนี่ยใครทําใครได้นะเราต้องลงมือทานะคือศีลห้าไปตนะือศีเลเราดีจิตใจสงบง่ายพอเรามีศีลแล้วเราก็มาฝึ ก, กจิตใจของเราให้มีสมาธิฝึกได้สองอย่างยิ่งดีสมาธิที่ให้จิตสงบเอาไว้พักผ่อนกับสมาธิที่จิตตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญา ในหลวงพ่อสอนละเอียดนะเลยไม่น่าแปลกหรอกลูกศิษย์หลวงพ่อน ะ, จะเจริญปัญญาเก่งมาถึงวันนี้คนที่แยกธาตุแยกขันได้นะนับจํานวนไม่ท้วนนะสมัยก่อนไม่มีนะจะว่าแต่จะแยกธาตุแยกขันเลยนะเมื่อสักสามสิบปีก่อนนะวัดแต่ละวัดนะหาคนที่ตื่นสักคนหนึ่งยังหายากเลยมาถึงวันนี้นะมาเรียนกับหลวงพ่ออยู่คำ ว, ว่าตื่นเนี่ยเวยแหลกแล้วถ้าใครว่าตอนนี้จิตตื่นนะยังล้าหลังมากเลยนะ คนอ่นเขาแยกธาตุแยกขันได้แล้วเขาเห็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันลนะนี่เป็นเทศบ้านจิตสบายนะชาวนานะโอ้เห็นเห็นมันไหวตัวนะเห็นวัดตะมันหมุนอยู่ในเนี้ยหมุนหมุนเนอะนะไหวตัวทํางานไม่ใช่เรามันทํางานเองครับมันไม่ใช่เราหรอกนะพูดอย่างนี้เลยนะบอกผมเปิดประตูออกมาเห็นต้นไม้โอ้ต้นไม้ไม่มีน้ําหนักแต่จิตผมยังมีน้ําหนักอยู่นี่ดูเขาภาวนาอย่างนี้นะ ถ้าอย่างนี้สมัยโบราณวิครูบาอาจารย์จะกระดี่กระดาเลยหายากมากเลยเดี๋ยวนี้ก็เยอะและ้วเราแยกธาตุแยกขันได้เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยก็จะเห็นถ้าเห็นขันทํางานไม่มีเราก็นะเห็นเหมือนที่เห็นกระบวนการของปฏิจจสุบาทนั่นแหละนีมันทํางานไปตามกระบวนการของปฏิจจสุบัตนะิแต่และกระบวนการแต่ละขั้นแต่ละตอนไม่มีคนไม่มีสัต์ไม่มีเราไม่มีเขาอย่างความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่คนใช่ไหมความอยากก็ไม่ใช่คน ความยึดมั่นก็ไม่ใช่คนความดิ้นรนของจิตก็ไม่ใช่คนความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็ไม่ใช่คนมันจะเห็นไม่มีคนหรอกนะเราหัดแยกคาดแยกขันไปนะเราวันหนึ่งเราจะเห็นว่าไม่มีคนหรอกเมื่อก่อนเกามีกรอนนะคนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนใช่ไหมคนเห็นคนไม่ใช่คนใช่คนไม่ถูกเป๊ะเลยนะถ้าเราเห็นคนเป็นคนเนะี่ยเรายังเป็นคนอยู่นะ แล้วเราเห็นคนไม่ใช่คนแอกเป็นสัก์แต่ว่าเป็นธาตุเป็นขันเนี่ยเราไม่ใช่คนละนะเราควรจากความเป็นคนละกลายเป็นอริยะบุคคลเลยงั่นไปนั้นกรอนของเขาเขียนก็ดีเหมือนกันนะอธิบายให้เป็นธรรมะก็ได้เหมือนกันเราจะเห็นคนเป็นอะไรเห็นเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมไม่มีคนจริงๆเวลามองน้ําจะไม่มีว่ารักคนนี้เกลียดคนนี้นะมันจะเสมอกันเสมอกันไปหมดเลย แต่ว่าเวลาโปรดที่โปรดคนนี้โปรดคนนี้ไม่ไม่ได้เท่ากันนะสอนคนที่ควรสอนไม่ถอยหนีคนที่ต้องถอยหนีเหมือนกันนะไม่ใช่เห็นคนเท่าเทกันแล้วปฏิบัติต่อทุกคนเท่ากันไอ้นั่นโง่เกินไปละพระเจ้าก็ไม่ได้ปฏิบัติกับทุกคนเท่ากันแต่เมตตาทุกคนเท่ากันนะฝึกนะฝึกไปคือศีล5้าให้ได้ฝึ ก, กจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเนื่นออหไรคือจิตที่ใช้เดินปัญญา ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานนะทำอย่างนี้ได้มากผลนิพพานไม่เป็นไหนซะหรอกจะเป็นฆราวาสก็ทําได้นะเป็นพระเป็นชีถ้าไม่ทําก็ทําไม่ได้นะอยู่ที่ว่าทําเอาหรือเปล่าถ้าทำถูกก็ได้นะทําถูกแล้วทํามากพอก็ได้ทําผิดแล้วทํามากๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะถ้าทําให้ถูกมันก็ต้องฟังก่อนให้รู้วิธีปฏิบัติก่อนนะรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลยไม่ย่อหย่อนไม่ท้อถอย ท้อถอยก็ไม่เลิกขี้เกียจได้ไหมขี้เกียจก็ได้นะแต่ขี้เกียจก็ไม่เลิกนะเบื่อได้ไหมเบื่อก็ได้นะแต่เบื่อก็ไม่เลิกดูมันแหลกรานเข้าไปเลยนะจะห้ามบอกไม่ให้เบือ่อไม่ให้ท้อทําไม่ได้จิตเป็นอนัตตาแล้วสู้เอานะแล้วเราจะได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะมนุษย์ก็ผู้มีใจสูงสูงมากๆจนหลุดจากโลกเลยนะจิตฟ้นโลกจิตฟ้นโลกมีความสุขจริง ครูบาอาจารย์ ส, ส่องสอนสืบทอดกันมาแล้วหลุดไปได้นะมีความสุขมากเลยหลวงปู่สุวัตก็เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านภานาแล้วก็ท่านก็หยิบสวยจิตกว้างลงเหวไปเลยท่านบอถอนเหมือนถอนหญ้าเลยนะเหมือนถอนขึ้นถอนจากอุปาทานนะถอนขึ้นแล้วกว้างลงเหวไปเลยแล้วท่านก็บอกว่าท่านอะมีความสุขมหาศาลอยู่ปี่กว่า นะแล้วก็มันก็ค่อยๆปรับตัวจิตนะเข้ามาเป็นอุเบกขาเดี๋ยวนี้เราก็เป็นอุเบกขาอยู่อย่างเนี้ยนะแต่ว่ามันมีความสุขที่สุดเลยในอุเบกขาเนี้ยนะตรงที่มีความสุขอีกใจยังกระเทือนนะมือบาอยู่แต่ว่ามันพ้นไปแล้วแหละแต่ตรงอุเบกขาเนี้ยเป็นความสุขที่สูงประณีตขึ้นไปอีกท่านบอกว่าสุขรุนแรงอยู่ปีกว่าๆนะครับก็เป็นอุเบกขามาตั้งนานนะ ฝึกไปได้ท่านเป็นอมภารนะเกลือ น, น้ํำลยายเองยังไม่ได้เลยตนะ้งคนคอยดูดนะนั่นก็เจอท่านไปนั่งใกล้ๆสุขแท้นอสุขแท้นอเราดูฮะสุขเหรอนะถ้าเป็นเราเราก็ทุกแท้นอาทุกแท้นอเลยเละนะไม่สบายขนาดนั้นยังมีความสุขเลยนะแก่เท่านะเท่าไร่เท่าไรนะก็มีความสุขโลภูเรียนก่อนมาที่นี่ทุกเดือนนะ่ะ ตอนท่านใกล้จะสิ้นขึ้นไปกราบท่านนะท่านนอนแบบแบบอยู่มีความสุขนั่นบอกมีความสุขแก่ก็มีความสุขเจ็บก็มีความสุขจะตายก็มีความสุขนั้นเราเรื่องอะไรชีวิตต้องจมความทุกข์นี้รันดอนนะพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราไปหลวงพ่อสอนไว้เยอะแล้วละ ว, วันนี้เลยสอนลายละเอียดน้อยหน่อยนะอา้าเชิญส่งกันบ้านกราบธรรมสวรรค์หลวงพ่อครับ ผมฟังซีดีหลวงพ่อประมาณปีครึ่ง น, นะครับอตอนนั้นก็อยากปฏิบัติธรรมนะครับแต่ไม่ทราบว่าปฏิบัติยังไงนะครับก็ได้มีโอกาสฟังซีดีหลวงพ่อนะฮะก็ฟังไปหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยอย่ารีบลงมือปฏิบัตินะครับต้องศึกษาให้ดีก่อนนะครับวิธีปฏิบัตินะฮะผมก็ได้ลงมือปฏิบัติพอศึกษาได้ประมาณสองอาทิตย์ก็ได้ลงมือปฏิบัตินะครับก็ วิสูตคำสอของพ่อนะครับโดยการปฏิบัติแบบอกกิจด้วยประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ได้เห็นจิตออกมาสวยอารมณ์นะครก็เคยปิึงมากนะครับก็เห็นเขาพูดกันว่าในสีดีของพ่อพั๊มันเป็นโรงงานมันเป็นอะไรกนแ้แต่นะฮะก็ก็ไม่เข้าใจแต่พอลองปฏิบัติ ด, ดูแล้วเข้าใจว่าจิตเนี่ยออกมารับอารมณ์เป็นระยะระยะ นะครับแล้วก็ในส่วนของดูจิตกับดูกายเนี่ยมันติดกันมากเลยฮะมันอยู่ติดกันเลยนะครับเพียงเราเคลื่อนจิตอยากจะดูจิตเดี๋ยเราเคลื่อนไปดูจิตเนี่ยเราสามารถก็จะดูจิตได้ชัดเจนนะครับหรือเราเคลื่อนไปดูกายเนี่ยก็สามารถเห็นกายได้แาบชัดเจนนะครับสมาธิแบบนั้นอยู่ได้ประมาณสี่วันนะครับก็ก็หมดไปนะครับหลังจากนั้นก็ ค่อยๆปฏิบัติรุ่มๆ ด, นดอนๆมานะครับแล้วก็เริ่มมาปั่นกันบ้านใหม่เมื่อสองเดือนที่แล้วเพราะรู้สึกละอายใจนะครับว่าหลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยจิตตื่นมันเฉยแล้วะกลัวตกรุ่นครับก็เลยต้องปฏิบัติธรรมอยู่สองเดือนเพื่อรู้ว่ายากักทาต ย, ยากขันธ์เป็นยังไงนะครับหลังจากายักทาตยกขันธ์ได้แล้วก็รู้สึกดีใจครับ พอใจตอนเย็นก็นั่งสภาที่ใหม่ตอนนี้ไม่แยกครับปฏิบัติทําไม่เป็นนะครับก็เลยเข้าใจว่าน้ำตาลมคืออะไรก็กราบขอพบพระคุณเราก็มีหน้าที่ปฏิปบัตินะปฏิบัติวันนี้ปฏิบัติเป็นก็ปฏิบัติปฏิบัติไม่เป็นก็ปฏิบัติไม่เลิกรหรอกนะพอหนังเราไปด้วยสิ่งที่ต้องระวังก็คือการคิดนํานะอย่าไปคาดคะเนล่วงหน้า ดูค่อยๆดูของจริงไปเวลาเราลงเปิดปฏิบัติที่ว่าต้องเรียนก่อนนะีคือเรียนวิธีปฏิบัติพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็สามารถดูกายดูใจเห็นกายเห็นใจแสดงใจรักได้เนี่ยเรียกว่ารู้วิธีละพอเรารู้วิธีว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะเห็นกายเห็นใจแสดงใจรักแต่ถัดจากนั้นไม่คิดเอาละดูจากของจริงเลยดูของจริงแล้วธรรมะ ม, มันจะสอนเราเองแต่ถ้าธรรมะที่คิดเอาเนี่ยยังเป็นธรรมะที่ไม่แท้ ธรรมะที่ที่มันเข้าใจขึ้นมาเนี่ยมันจะล้างกิเลสได้ค่อยๆฝึกไปดีแล้วล่ะก็กลับไปดูเพราะว่าผมจะสะดวกดูกายมากกว่ารูจิตได้จริงๆแล้วไม่มีสายกายสายจิตสายกายสายจิตนั้นมันเป็นแค่จุดตั้งต้นเท่านั้นเจุดตั้งต้นในการฝึกให้เกิดสติอย่างบางคนหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวบางคนยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัว บางคนมีความสุขรู้สึกตัวมีความทุกข์รู้สึกตัวมันมุ่งมาที่ตัวนี้ให้จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแต่พอจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแล้วไม่มีสายแล้วเนะพราะอะไรเพราะสติเป็นอนัตตาบางทีมันก็รู้กายบางทีมันก็รู้จิตมันรู้อะไรก็แสดงไตรลักษณ์ที่นั่นแหละนั้นเราไม่ได้ดูกายเราไม่ได้ดูจิตนะในขั้นเจริญปัญญาเราดูไตรลักษณ์ สติเห็นกายครับกายก็แสดงไตรลักษณ์สติเห็นเวทนาเวทนาก็แสดงไตรลักษณ์สติเห็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็แสดงไตรลักษณ์นั่นเราเห็นสิ่งเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะดูอะไรคือเห็นไตรลักษณ์ครับนั่นแหละเรียกว่าเจริญปัญญานะไม่มีสายกายสายจิตถ้ายังดูกายอยู่เป็นสมถะถ้าดูจิตอยู่เป็นสมถะถ้าเห็นไตรลักษณ์ของกายของจิตถึงนี้เป็นมิปัสสนะ ครับหลวงพ่อครับพลวง่อจากการปฏิบัติเนี่ยก็ทราบว่าอจิตตั้งมั่นมันคืออะไรนะฮะเพราะว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยอได้ยินใน้ฟังก็ไม่เข้าใจนะครับมันต้องรู้ด้วยตัวเองว่ามันติดจะมีน้ําหนักของตัวมันเองนะครับมันมีเราจะรู้ว่าจิตแต่มีน้ําหนักมมันไ่่ใชพอดีนะครับไม่ใช่เฉพาะจิตตั้งมั่นหรอกนะสภาวะธรรมทั้งหมดะเราจะรู้จักมันเมื่อเราเห็นมัน อย่างนิพพานเป็นไงก็ต้องไปเห็นมันถึงจะเข้าใจนะคิดเอาก็คิดไม่ออกอย่างคาว่าจิตตั้งมั่นคิดยังไงก็ไม่ออกเนาะเราเห็นเองแล้วมันถึงจะรู้กราบมาสการค่ะหนูปฏิบัติด้วยวิธีพยายามจะรู้ระหว่างวันนะคะก็ทางานไปแต่ส่วนใหญ่มันจะลืมมันจะเผลอถ้าทำงานต้องคิดหรือเปล่าค่ะต้องคิดยังไ ง, งไ<ห>ก็ลืมไม่ต้องพยายามรู้สึกหรอก พอจิตนะรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอจิตไปรู้งานแล้วเนี่ยจะมารู้กายรู้ใจไม่ได้เพราะฉนั้นทํางานจดจ่อแต่งานไปแต่พอขี้เกียจขึ้นมาเบื่อขึ้นมาเนี่ยพขรู้ทันจิตเ อ, เอาแล้วอตอนกลางคืนตอนเย็นหรือตอนก่อนนอนนอนตื่นขึ้นมาใหม่ๆี่ก็จะพยายามปฏิบัติตามที่<อ>ลหลงพ่อว่ <culturally> าแต่ว่ามันจะฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาค่ะคือรู้แต่ว่าคิด<จ>เดินจงกรมก็คิดจนผ่านไป ส0บยนาทีเนี่ยก็เอ้าที่ผ่านมาทั้งหมดนี่คือคิดอยู่ตลอดเวลาโอยอย่างนั้นแสดงว่าต้องฝึกจิตไหลไปคิดแล้วรู้จิตไหลไปคิดแล้วรู้ฝึกตัวนี้ให้เยอะมันจะได้ไม่ไปคิดนานก็คอยสังเกตตอนที่จิตไหลไปคิดเดินจงกลมเนี่ยจิตไหลไปคิดแล้วก็รู้ไม่ได้เดินเอาสงบนะแต่เดินรู้ทันจิตที่ไหลวิคิดเวลานั่งก็ไม่ได้นั่งเอาสงบแต่นั่งรู้ทันจิตที่ไม่สงบคือจิตที่ไหลไปคิดบ้างไหลไปเพ่งบ้าง จิตที่เคลื่อนไปถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นงั้นเราไม่ได้ฝึกเอาสงบเราสงบเอาไปทําอะไรไม่ได้เอาไว้พักผ่อนอย่างเดียวหนูควรจะปฏิบัติยังไงดีต่อปฏิบัติอย่างนี้แหละขันก็แยกแล้วดีดูออกไหมดูไม่ออก <laughs> สังเกตไหมกายกับใจเป็นคนละอันเป็นบางครั้งเทนั่นแหละความสุขความทุกข์กับใจก็คนละอันนะกิเลสกับใจก็คนละอันนั่นแหล ะ, กกหละเรียกว่าแยกขันแล้ เรีกขันไม่ใช่ถอดจิตออกจากร่างไปอยู่บนเพดานนะอย่างนั้นไม่ใช่หรอกอนี่นเอาไว้ให้รถทับก่อนแล้วก็ขึ้นไป ง, งั้นก็ควรจะดูจิตไปเรื่อยๆใช่ไหมคะท่าตได้ชงคิดองต้องเพิ่มเวลาให้มันบ่อยขึ้นการ ป, ปฏิบัติไม่มีคําว่าเพิ่มเวลาหรอกเพราะเราปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดนะแล้วก็เวลาเราจะพักผ่อนนะแล้วก็ปฏิบัตนะิสมถธิพักผ่อนพอนแล้วเราก็เดินวิปัสสนา กราบขอบพระคุณใช้ได้นะถึงจุดนี้ดีรกราบบัสการหลวงพ่อค่ะได้ฟังซีดีหลวงพ่อมาหนึ่งปีค่ะก็พร้อมที่ปฏิบัติธรรมนะคะทานศีลภาวนา ม, มาติดที่ภาวนาคะ่ะภาวนาพุพทโทรธธรรมโมสังโฆพุทโทรธธรรมโมสังโฆได้ซักคาดว่าอาจจะเป็นหนึ่งนาทีไม่ถึงนะคะ จิตหลุดไปอะฮะก็ติดตรงนี้ไม่ทราบว่าโอ้หลุดทันทีแล้วเราไม่ได้ภาวนาให้จิตอยู่กับที่นะแต่ภาวนาแล้วเพื่อจะคอยรู้ทันจิตที่หลุดไปแต่ว่าหลุดไปรีบรู้ไวๆหน่อยค่อยๆฝึกไปพุทโธธรมโมสังโฆหนีไปอย่างอื่นแล้วพอรู้ทันว่าจิตหนีไปแล้แค่รู้ทันนะแล้วก็มาพุทโธธรมโมสังโฆใหม่แล้วจิตหนีไปอีกก็รู้อีกจิตหนีไปอีกก็รู้อีกต่อไปมันจะหนีสั้นลงเรื่อยๆ เพราะจิตมันจะจำสภาวะที่หนีได้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพอมันจำสภาวะที่จิตหนีไปได้ชัดนะสติจะเกิดอัตโนมัติเลยคำว่าจิตตั้งมันนะ่นค่ะคิดว่าตัวเองจิตตั้งมั่นไม่ทราบว่ายังไม่เคยเกิดเลยขึ้นกับตัวเองทำไมมันจะไม่ตั้งสังเกตไหมบางทีเราก็เห็นกายกับใจมันแยกกัน<ฆ>นั่นแหละถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่แยกนะ ถ้าจิตตั้งมัน่นก็กลายเป็นคนดูเห็นร่างกายมันทํางานอยู่นั่นจิตอยู่ตหาหักนี่แหละเรียกว่าแยกธาตุแยกขันธ์แล้วมีจิตตั้งมัน่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้นะที่เราฝึกให้จิตตั้งมั่นก็เพื่อจะแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปแล้วไปเห็นธาตุขันธ์มันทํางานโดยจิตเป็นแค่คนดูแยกเป็นไม่ใช่ไม่เป็นหรอกก็เป็นคนที่ตั้งคําถามไม่ค่อยเป็นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าลลที่จะตั้งคำถามนะ ดูของจริงในใจของเราไปด้วเห็นไหมว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวใช่ไหมดีร้ายชั่วคราวหมดค่ะของยมไม่ต้องทําอะไรมากดูแค่นี้แหละนะดูบ่อยๆความรู้สึกทุกชนิดมันชั่วคราวดูอย่างนี้เรื่อยๆไปเขาเรียนถามอาจารย์ว่าคําว่าดูบ่อยๆเนี่ยก็คือเมื่อว่างเมื่อไหร่ก็ดูรู้สึกตัวก็ดูเรื่อยๆก็รู้คอยรู้ทันความรู้สึกของเราให้บ่อยๆอ่ะไม่ใช่ว่าชั่วโมงนี้รู้สึกตัว ชั่วโมงนี้เผลอไม่ใช่นะไอตอนที่เราว่าทํากรรมฐานรู้สึกตัวอยู่นะแอบเผลออยู่บ่อยๆะเผลอแว บ, บเรารู้แว บ, บเรารู้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าห้ามห้ามเผลอน ะ, ะอเผลอแล้ว ร, รู้เผลอแล้ว ร, รู้ครับขอบคุณค่ ะ, คะมสสาสการเจค่ะโยมปฏิบัติด้วยการภาวนานะเจค่ะอตอนแรกเนี่ยภาวนาพุโทโธก็รู้สึกว่ามันแข็ง <c oughs> นะคะ ก็ไปเลยเปลี่ยนเป็นลมหายใจก็แข็งอีกก็เลยภาวนาอาลหังสัมมาอมีสต์ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นี่ก็คือเห็นหลงบ่อยบ่อยมากอย่างนั้นใช่ได้ดีภายใต้ความหลงนั้นเนี่ยก็เห็นความโลภบาทีหลงไปคิดเรื่องนี้ก็คือโลภโกรธบ้างคิดไปนู่นบ้างอะไรเนี้ยนะคะโลภหลงโกรธ แล้วก็ตั้หานี่เห็นบ่อยมากความอยากนี่บ่อยมากดี่ไหมใช้ได้แลวอย่างจะก็ตอนนี้โยมมีอย่างนี้ใช้ได้นะเจ้าใช้ได้ใช้ได้นะคะโยมก็มีมีความคิดว่าจะําต่ออะไรต่อไปเจ้าจะทาอะไรต่อไปหรือว่าทาไปอย่างนี้เรื่อ้ง บอกหลวงปู่ครับผมไปวัดโน้นวัดนี้นะได้ยินครูบาอาจารย์<ม>อื่นๆ่ะสอนคนอื่นนะสอนในพุโทโธพิจารณากายผมต้องไปพิจารณากายไหมหลวงปู่ดูท่านมองหน้าเราแบบสลดสังเวช ท, ท่านบอกว่าที่เข้าพิจารณากายก็เพื่อให้เห็นจิตเมื่อเห็น<ม>จิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งนะงั้นถ้าเรารู้ทันจิตใจเราก็ดูเข้าเราไปถ้าดูจิตไม่ออกเราค่อยไปดูกาย<ม>นะ แล้วใจรักเนี่ยบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่าจิตมันไม่ที่ยังจริงๆคือพอเราเพอเรารู้มันก็ดับดูแล้วก็ดับอย่างนี้คือใจรักใช่ไม่ใช่นั่นแหละใจรักตัวจริงไม่มีคําพูด ม, มีแต่เกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะถึงจะใจรักของจริงใจ<ช>ร<า>ักพูดได้ไม่ใช่ของจริงหรอกต้องเห็นสภาวะมันดับไปมีฝุดขึ้นมาดับฝุดแล้วก็ดับ สังเกตไหมสภาวะเท่าไหร่นะความรู้สึกเท่าไหร่นะผุดขึ้นมาจากความว่างๆแล้วก็ดับไปในความว่างๆไม่มีอะไรเหมือนฝันไปชั่วคราวแวบๆบแบบในชีวิตประจําวันนี้คือถ้าโกรธก็รู้ว่าโกรธแล้วมันก็ดับ อ, อย่างนี้นะเจ้าค่ะใช่ชใช่ใช่แต่ต้องตือสี่ท่านะโกรธก็ไม่ตกเขาอะไรอย่างเงี้ยออแล้วก็รู้ทันแที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะใช่ได้ตนะอนนี้โยมมีปัญหาอันหนึ่งจะถามว่า โยมจับหนูใส่กลงไปทิ้งไปปล่อยเนี่ยเจ้าค่ะบาปไหมเจ้าคะคือที่บ้านมีหนูเยอะมากแล้วมันกัดของทํำลายของหมดเลยนะเจ้าค่ะจับไปสองตัวแล้วเจ้าค่ะก็อบอกว่าแบ่งพื้นที่กันอยู่สิอย่ามาอยู่ในบ้านเราเราไม่เอาไปฆ่าเนาะไม่ฆ่านะเจ้าค่ะ ป, ปล่อยปล่อยไปปล่อยก็ดีดีกว่าไปฆ่าแต่คิดว่าคงจะไม่จับอีกแล้วอ๋อทําไมล่ะเพราะว่า รู้สึกไม่สบายใจอะเจ้าะเราอยู่กับหนูไม่ได้นะอยู่ไม่ได้คือจับได้แล้วก็ในพระวินัยอย่างมีเลยพรปล่อยให้หนูชุมอยู่ในกุฏิไม่ได้นะเออไม่ใช่ท่านบอกให้อยู่ความโศกโครกเห็นว่าเป็นศักด์แต่ว่าเห็นไม่ใช่นะเออมันอยู่ที่จิตเราใช่ไหมเจ้าคะว่าเราไม่ได้ไอ้หนูเนี่ยมันพิสดารคือมันกินได้สารพัดไงลาพังไม่มีอาหารนะมันก็ไปกิน ข้ากินไรต่อเพราะงั้นต้องเชิญมันไปอยู่ที่อื่นให้มันไปหากินเองนะเจ้าคะเราให้มันไปหากินเองทุกวันนี้จริงๆมันก็หากินเองนะถ้าเราไม่ได้เลี้ยงหรอกแต่มันไม่กินของในบ้านเรามาเองเจ้าคะพิธีการเจ้าคะขการบ้านหลวงพ่อนอย่าอาหนูไปปล่อยบ้านคนอื่นนะไม่ๆเจ้าคะไปปล่อยในที่รกๆนะเจ้าคะอืที่ว่างๆที่รก ไ, ไปทําต่อบไปทำถูกล้น้ำมาสการค่ะหลวงพอ่อส่งการบ้านครั้งที่สองในรอบหนึ่งปีค่ะปีนี้การภาวนาเข้มข้นมากขึ้นทั้งในรูปแบบแล้วก็ในชีวิตประจําวันสภาวะที่เห็นก็คือเริ่มเห็นจิตไม่ใช่เราได้ในบางครั้งแล้วก็เห็นอนัตตามากขึ้นอริยังมากขึ้นแล้วก็ช่วงเข้าพรรษาจะเห็นความเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็มีเรื่องอยากจะเล่าถวายหลวงพ่อก็คือว่าเมื่อวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาขณะนั่งภาวนาในรูปแบบเห็นสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วทีนี้จิตมันก็ระลึกว่านี่ละมั่งเกิดแล้วก็ดับอืจากนั้นมันก็เกิดปิติขึ้นมาแบบขึ้นมาเยอะมากแต่ว่ามันไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆที่นั่งสมาธินะคะแล้วก็ตอนนั้นมันก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะต้องอุเบกขาแน่แล้วมันก็อุเบกขาจริงๆพอออกจากภาวนาแล้วเราก็กระยิมว่า เราคงจะดวงตาเห็นธรมแล้วแล้วเราก็พยายามจะมองหาความเป็นตัวตนในในชีวิตประจําวันของเราเราก็ไม่ไ ม, ไม่พบไม่พบใดๆเลยแล้วก็ตอนนั้นพอดีว่าศีลของเรามันก็กระชับมากขึ้นนะคะแล้วก็พอเวลาสติมันระลึกรู้ได้ว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยมันจะมีปิติโชยขึ้นมาแผ่วๆค่ะทีนี้พอหนึ่งเดือนผ่านไปเราก็พยายามมองหาจนกระทั่งวันหนึ่งลูกชายกลับมาที่บ้าน แล้วก็ตะโกนเรียกเราจากหน้าบ้านเท่านั้นแหละค่ะมันก็เราก็ตอบกลับไปตอนนั้นจิตเราก็ระลึกได้ถึงความเป็นตัวตนในความเป็นแม่เออถูกต้องตอนนั้นมันก็แวบขึ้นมาว่าจับได้แล้ว อ, อจากนั้นสิ่งที่มันครอบใจอยู่มันก็หลุดลงมาอมอมพอมันหลุดลงมาแล้วก็เราก็กลายเป็นปัตุชนเหมือนเดิอมอืสาธุ <laughs> <laughs> ดีมากเลยนะ่ะ ถ้าไปหลงเชื่อมาแล้วเสร็จเลยทีนี้มันจะมาหลอกหนูอีกหรือเปล่าคะมันหลอกได้เรื่อยๆนะมันเจะเปี่ยนวิธีหลอกงั้นเราต้องใช้วิธีสังเกตเอายาวๆสังเกตให้นานๆว่ากิเลส ท, ที่ว่าขาดไปแล้วเด็ดขาดไปแล้วขาดจริงไม่จริงมเมื่อกี้เล่าๆหลวงพ่อก็ต้องสังเกตมากหน่อยะก็เออตอบถูกแล้วะอย่างไรก็ไม่ห่วงหรอกค่ะแล้วทีนี้อีกข้อนึงนะคีกสมันทําไมไม่ขาดเลยไหม ก็ขนาดนั้นความคิดผุดขึ้นมาเสีก่อนมันไม่แวกกําลังของมรรคไม่พอมันต้องเพิ่มอะไรคะหลวงพ่อทำธรรมดานี่แหละเพิ่มมากแล้วก็จะฟุ้งซ่นแล้วจะเคลียดใช่ใชอีกอีกสองข้อนะคะหลวงพ่อการที่ว่าเราภาวนาในรูปแบบแล้วเราเหตุทุกอย่างมันดับไปหมดแล้วก็สติมันลึกรู้ขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วมันก็ดับลงไปแล้วมันก็แวบขึ้นมานั่แหละเห็นเกิดดับแล มันคืออ๋อเกิดดับจริงน่นแห ล, แหลเกิดดับแนหะเกิดดับจริงๆเลยไม่ได้คิดเอาเห็นจริงๆนั่นแหละวิปัสสนาน ะ, ะถ้าเดินวิปัสสนาได้นับถอยหลังเลยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปี <นะ S 1> แล้วหนูมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมบ้างมคะหลวงพ่ออย่าใจร้อนลึกๆอยากได้เดียให้รู้ทันมัอนขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะอนันนมัสสการค่ะหลวงพ่อ เออหนูก็ยังดูใจเคลื่อนไหวดูใจเคลื่อนไหวอยู่เหมือนเดิมอนนะคะ่ะอยากขอแนวทางปฏิบัติต่อไปอยาให้ใจมันซึมก็แล้วกันนะดูด้วยใจกับพรีกกบกระเปล่าสดชื่นสบายๆอย่าให้มันนิ่งๆซึมๆเครียดๆนะดูไปสบายๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียนะขอบคุณค่ะกราบ น, นมัสการหลวงพ่อค่ะ อือเป็นคนชอบบังคับกดพมจิตใจตัวเองอะค่ะแล้วจีนี้มันก็เลยแน่นหลวงพ่อบอกให้ปล่อยมันก็ปล่อยได้บ้างปล่อยไม่ได้บ้างห้ามันไม่ได้หรอกแมัวก็บังคับนะแล้วมันก็ทุกนะบังคับแล้วก็ทุกแต่ไปมันฉลาดมันก็เลิกบังคับรอให้ใจมันฉลาดเราเนะี่ยฉลาดก่อนมันมเราก็จะไม่บังคับแนละ้วแล้วอยู่ในล่องในรอยไหมคะสมาธิต้องพอนะจิตต้องถึงฐาน ถ้าจิตกระจายกว้างออกไปนอกตัวแล้วก็ไม่ดีมันจะไม่เดินปัญญาจริงะคือตอนนี้ยังกระจายกว้างๆอยู่ใช่ไหมคะเราสังเกตดูสิกว้างมไม่กว้างรู้สึกไหมมันยอดมาดูจิตแล้วมันจะเด้งออกได้นะ<ม>นะเพราะมันไม่เข้าบ้านเพราะฉนั้นมันจะมาดูกายดูใจไม่ได้จริงหรอกอ<ม>นะงั้นจุดจุดตรงเนี้ยเป็นจุดสําคัญนักดูจิตทุกคนต้องระวัง เพเวลาเราดูจิตจนถึงขั้นที่ดูจิตเป็นวิปัสนาแล้วเนี่ยวิปัสโนปะปกิเลสจะต้องเกิดขึ้นวิปัสโนปะปกิเลส10ประการนะตัวที่หนึ่งชื่อว่าโอภาสมันจะสว่างว่างสบายโลง่งๆไม่มีอะไรเลยมีแต่ความสุขนะวิปัสโน10ิบตัวเนี่ยเกิดจากเหตุอันเดียวกันคือจิตไม่ถึงฐานนะงั้นสังเกตไหมเวลาว่างไปว่างอยู่ข้างนอกสบายเพลินๆไปไม่เดินปัญญาต่อนะ งั้นถ้ามันไปว่างอย่างนั้นเรารู้ทันว่าจิตออกนอกบางคนก็เข้ามาบางคนรู้อย่างแค่ว่ามันออกนอกแล้วยังไม่หยอมเข้านะก็มารู้สึกที่กายบ่อยๆเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยนะมันจะได้ลดระดับความห่างออกไปแต่เดิมอยู่ข้างนอกก็มาอยู่ที่กายก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าไปที่จิตได้นะก็ต้องปฏิบัติไปอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะใช่แต่ให้รู้ทันว่าจิตออกนอกจิตกระจายกว้างๆไปไม่จะมีความสุขนะ สุขสบายอยู่งี้เป็นปีๆเลย ม, มันจะไม่ไปไหนต่อแล้วเพราะมันไม่เห็นทุกไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมหรอกอ็ต้องหมั่นสังเกตใช่ไหมคะใช่ใชสังเกตไม่นิ่งนอนใจว่าสบายแล้วสบายแล้วนะกาบขอบพระคุณคสบายแล้วสบายแล้วหลุดวันไหนน่ร้ายสุดๆเลยนะกาบนวัตการครับผมส่งการบ้านเมื่อต้นปีที่แล้วหลวงพ่อให้มาดูโทรศัพท์ผมก็ดูไปเรื่อยๆ นะครับแล้วก็บางทีมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนนะครับแล้วช่วงนี้มันจืดจืดจืดอยู่ก็อยากสอบถามหลวงพ่อว่าผมต้องปรับปรุงตัวยังไงบ้างครับใจมันจืดจืดก็ดีแล้วล่ะนะแต่จืดจืดระวังไปจืดแบบโทสะอีกนะครับใจมันจืดแต่ว่ามันก็สงบมันก็สบายแต่ว่ามองโลกแล้วมันจืดแต่ถ้าใจเราเฉาเฉาเลยแล้วมองโลกจืดจืดอันนี้ยังเจือโทสะอีกค่อยๆดูไป ครับขอบพระคุณครับกับนมมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะยมฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาประมาณสี่ห้าปีแต่เพิ่งส่งการบ้านครั้งนี้เป็นครั้งแรกคะ่ะในการปฏิบัติก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะค่ะตั้งแต่เรื่องของเรื่องของอารมณ์อย่างเงี้ยคะ่ะเห็นเห็นโลกกดหลงอย่างเงี้ยคะ่ะชัดเจนมากขึ้นเห็นตั้งแต่ ระหว่างที่มันโกรธแล้วก็ก่อนที่มันโกรธอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชัดภาคขึ้นแล้วก็หลังๆก็จะเริ่มเห็นตัวกิเลสมากขึ้นเห็นขณะที่กําลังเกิดก็มีแล้วก็ก่อนที่มันจะมีแล้วเราก็เหมือนกับชนะมันอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะดีใจมันก็มีอีกอกโก้ขึ้นมานนั้ให้รู้ทันนะว่าดีใจค่ะ <c oughs> แล้วก็อันนี้คิดคิดไว้เห็นถ้าเห็นกายกับจิตมันเป็นคนละอันการอย่างเงี้ยคะ่ะ ก, ก็เห็น แล้วก็คือตอนเห็นครั้งแรกนี่มันเสียใจมากค่ะมันร้องไห้แบบอืจนเรางงอะค่ะว่ามันก็มีอีกตัวหนึ่งที่มันมันมันเห็นไอ้ไอ้ตัวที่มันร้องไห้อยู่อย่างเนี้ยค่ะเราก็งงว่าทําไมตัวนั้นน่ะขันมันแยกนะะร่างกายเนี่ยเห็นแล้วไม่ใช่ตัวเราในใจยังยอมรับไม่ได้นะใจก็มีความเศร้าโศกเกิดขึ้นแล้วมีตัวรู้เป็นคนรู้มันเห็นว่าความเศร้าโศกกับจิตเนี่ยก็คนละอันกันค่ะแล้วนั่นขันมันแยกได้ละเอียด จนจนถึงตอนนี้มันมั น, ม, นมันก็ยังเสียใจอยู่ให้ให้รู้ทันนะในความเสียใจก็มีความพอใจอยู่<อ>มีความสุขผุดอยู่เราก็รู้ทันเอ า, าแล้วมันก็ะยิมใจด้วยนะที่ว่าเสียใจเสียใจอ่ะแล้วก็รู้ใจที่มันดีใจที่รู้ <นะ S 1> แล้วก็เออพยายามที่จะปฏิบัติในรูปแบบแต่ที่นี้เนี่ย สิที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือเดินจงกรมตอนเช้าก็ตื่นมาปุ๊บเนี่ยลุกจากเตียงเดินเลยเนี่ยค่ะ嗯嗯嗯อันนี้ปัญหามันก็คือมันยังง่วงอะค่ะมันก็จะเดินแบบงงๆไปไปเรื่อยๆ อ, อย่างเงี้ยค่ะเออหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังก็ตื่นปุ๊บสว่างปั๊บเลยในใจเราหลวงพ่อแต่ก่อนก็ฝึกนะกลางคืนก่อนนอนก็กินน้ําเยอะๆไมได้ตื่นมาเข้าห้องน้ําแล้วตื่นแล้วมันยังงัวเงียเนี่ยนะจะไม่เดินนะเดินแล้วมันหายง่ายไปจะนั่ง ถ้านั่งแล้วยังงัวเงียแยกข้าแยกขันไม่ได้เนี่ยจะไม่นอนต่อเลยนะทีแรกก็ทรมานมากเลยนะแต่พอสองสามวันนะพอตื่นปุ๊บนีนแยกปั๊บเลยสว่างเลยมันกลัวเราภาวนาโตุูกกิเลสมันก็กลัวเหมือนกันนะเจ้าค่ะต้องสู้เอาค่ะอ่ะที่โยมปฏิบัติมานี้ก็ถูกต้องแล้วก็ถูกนะแต่เวลาไปทำในรูปแบบเนี่ยอย่าไปมุ่งเอาความสงบน ะ, ใ, ะให้มุ่งรู้ทันจิตที่หนีไป จิตที่หนีไปคือจิตฟุง้งซ่านถ้ารู้ทันปุ๊บจิตไม่ฟุง้งซ่านจิตก็ตั้งมั่นด้วยสงบด้วยมุ่งเอาสงบมากไปอ๋อขอบคุณค่ะกล่าวหลวงพ่อค่ะคือหนูทําสมาธิไปจนจิตตั้งมั่นนะคะแล้วความตั้งมั่นนั้นมันก็มีกําลังแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะอือจน จนมันเป็นพลังมหาศ า, ศาลมากอะค่ะหนูก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อก็เลยอธิษฐานจิตขออนุญาตเรียนเรียนรู้อากาศ<ม>แล้วหนูก็บริกรรมอากาโซอนันโตค่ะ<ม>จบจบเพียงสามคำเท่านั้นนะคะ<ม>จิตก็พุ่งออกไปในอากาศค่ะแล้วพุ่งสติตามตามรู้ไปติดๆ ยิ่งยิ่งพุ่งออกไปไกลก็ยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นค่ะแล้วมันมันพุ่งไปไม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะอหนูก็เลยรู้สึกกลัวว่าเอเราเราจะไปไหนเดี๋ยวกลับไม่ได้ดีแล้วที่ไม่ไปนแล้วหนูก็ถอยกลับมาตอนถอยกลับมานี่ยากยากไม่เหมือนตอนพุ่งไปอ่ะเหมือนเหมือนสาวเชื่อที่มีของหนักหนักจิตส่งออกนอกง่ายนะจะให้จิตตั้งมั่นเนี่ยยากค่ะนะแล้ว มีพระองค์หนึ่งท่านภาวนาดีเหมือนกันนะอยู่ที่สุรินแต่ตอนนี้สิ้นไปแล้วละ่ะพอท่านภาวนาเนี่ยท่านจะต้องมาถกกับหลวงพ่อท่านเชื่อเลยว่าได้แล้วได้แล้วบางทีเราก็แก้ให้ท่านได้บางทีก็จนปัญญานะเถียงกันท่านไม่ยอมมีวันหนึ่งหลวงพ่อบอกหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยไปดูจิตอาลาราตตาบทกับอุทกกระดาบทเลสิ ถ้าบอกได้ได้เดี๋ยวพืุน่นี้จะไปดูพอเช้าขึ้นมานะท่านก็มาหาหลวงพ่อประมวดเราผิดแล้วหรืที่เราว่าจิตเราหลุดพน้นหลุดพ้นนะ่จิตเราไปไกลมากเลยเหมือนดาวบทสองคนอะไรแต่ดาวบทสองคนเนี่ยนะเราดูแล้วนะอีกนานแสนนานเลยนะกว่าจะกลับมาได้อะ่ะมันหลุดไปไกลสุดกู่เลยมันไม่กลับมาง่ายๆนะดังนั้นดีแล้วที่ไม่หลุดออกไปคือคือพอกลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยหนูหนูก็ลืมตาค่ะ พอลืมตาก็เห็นแก้วจิตมันก็พุ่งไปที่แก้วอีกออแล้วแล้วกําลังก็ส่งตาออกไปแรงขึ้นแรงขึ้นต่อไปนี้เนี่ยเปลี่ยนมาใหม่อย่างนี้ไม่ดูของนอกดูแต่ค่าร่างกายของเราเองดูแค่กายนะอย่าดูออกนอกดูในร่างกายเนี่ยเดี๋ยวมันจะระเบิดให้ดูพอพลังมากๆ ม, มันจะระเบิดเลยหรือไหม้ไปหมดเลยนะแล้วก็จะเหลือแต่จิตดวงเดียวตั้งมั่นอยู่ พอมันถอยออกมามันจะเห็นเลยกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตจะแยกขันได้ถ้าอย่างนี้จะติดสมาธินะสมาธิชนิดสมถะหนูสงสัยว่ามันออกมาข้างนอกได้ด้วยคือคือพอลืมตาแล้วเห็นแก้วค่ะจิตมันพุ่งไปที่แก้วนั่นนถูกมันออกมาข้างนอก ม, นมันออกทุกคนแหละจะดูทีวีจิตก็วิ่งก็ไปในทีวีคิดต่อก็วิ่งหนีต่อก็ไปในความคิด ให้เรารู้ทันว่าจิตมันวิ่งออกนอกนะแล้วอย่าพามันออกดูดู ก, กายไว้ดูแค่กายไว้ถ้าไม่ดูกายไปไม่รอดนะจะบอกให้สมาธิมากขนาดนี้ต้องดูกายค่ะ ข, ขออีกสภาวะหนึ่งค่ะคือหนูก็ทำสมาธิไปจนเห็นอาการของจิตนะคะ ม, มันหยิบจับความทุกข์เข้ามาอพอพ อ, พอเห็นอย่างนั้นก็จิตเขาก็วาง พอวางมันก็เกิดเกิดสันติขึ้นมาค่ะอืพอเกิดสันติสักครู่หนึ่งกายก็แสดงอาการทุกทุรนทุรายดินน้นรนขึ้นมาให้เราเห็นเราก็ดูไปเขาก็ดิน้นดินอยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็บอกพอตโกออกมาว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วอหนูก็เลยเลยตอบตอบเขาไปว่าตอบกลับไปว่าก็ยอมตายถวายชีวิตไปเลยเอค่ะพอแล้วเขาก็ดิ้นรนอยู่อีกสักครู่หนึ่ง ก, ก็สงบไป แล้วแล้วทีนี้ก็จิตจิตก็แสดงอาการทุรนทุรายเป็นทุกข์ออกมาให้เห็นอีกอ่ะแล้วก็แล้วก็ร้องเหมือนกันเลยเขาว่าไม่ไหวแล้วออกเถอะตายแน่แล้วหนูก็บอกว่าก็ยอมตายถายชีวิตไปเลยเออต้องอย่างนั้นแหละค่ะแล้วแล้วแล้วสักพักหนึ่งจิตจิตเขาก็สงบสงบลง พอจิตสงบปุ๊บตัวผู้รู้เด่นอยู่ตัวเดียวขึ้นมาให้เห็นนี่แล้วจิตเขากพูดว่าเอาละมึงต่อไปค่ะจิตเขาพูดไม่พอไม่เป็นไรค่ะเวลาจิตหลวงพ่อมีความมีเว้ยด้วยนะตัวอาการใหญ่มันอยู่นี่อยู่บอกไออาการรู้นี่แหละตัวต้นเหตุเขาว่าอย่างนั้นนะคะของหนูนะหลวงพ่อให้กันบ้านเลยนะ หนูต้องปรับสมาธิใหม่สมาธิของหนูไม่ถูกหรอกม<ะ>ันสมาธิเสื่องๆซึมๆไปน ะ, ะมันน้อมจิตจนซึมๆไปนั่นเป็นสมาธิที่จิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานจริงๆเป็นมา<ะ>พยายามรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นอย่าให้มันไหลเคลื่มๆไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะบริกรรมรู้สึกตัวไปก็ได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้แล้วก็ร่างกายเนะี่ยมีอยู่รู้สึกไปด้วยต้องทําอย่างนี้นะ สติมันเป็นผู้กู้เการ์อยู่ไหลไปนะเห็นไหมเห็นไหมใจไหลไหลไปอย่างเงี้ยเห็นไหมให้รู้ทันนะเพะฉะต้องฝึกให้ใจอยู่กับตัวเองนะบริกรรมไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วรู้สึกร่างกายไปเลยร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกมาดูที่กายนี้ไว้ก่อนนะถ้าจิตของหนูเนี่ยมันโลดโผนมากสมาธิมันมากเพียงแต่ว่าโมหามันแทรก จะซึมซึมไม่ได้นะอ้ะต่อไปขอบพระคุณค่ะนวัตการหลวงพ่อครับก่อนจะส่งกันบ้านก็ขอขอเข้ามาหลวงพ่อก่อนเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมนั่งหลับแล้ตอนที่หลวงพ่อเทศนะครับอ้าวยกโทษให้นั่งนั่งรถแล้วหลับยังไม่เท่าไหร่นะยกโทษให้ถ้าขับรถแล้วหลับไม่ยกโทษให้หรอกนะครับ <c oughs> อันนี้ประเด็นแรกที่จะส่งกันบ้านก็คือก่อนหน้านี้สักก่อนหน้าสั ป, ปดาห์ที่แล้วอ่ะก่อนที่จะเกิดป่วยหนักผมคิดเอาเองอ่ะหลังจากที่อ่านหนังสือฟังธรรมอย่างนี้ว่าความตายไม่น่ากลัวเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ขันห้าประชุมรวมกันแต่ว่าเคยสะดุดอยู่คำหนึ่งอ่ะว่ามีมีผู้รู้ท่านหนึ่งเขาเขียนเตือนไว้ว่าภาวะใกล้ตาย ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับ <c oughs> ก็ทักประมาณไม่กี่วันนี่เครับผมป่วยหนัก <c oughs> แล้วมันตอนใกล้ๆหมดสติอ่ะมันมันน่ากลัวมากวันนี้ผมก็พยายามวิเคราะห์แล้วมีสติอตนุมัติแทรกมันโชคดีตรงนี้มีสติอตนุมัติแทรกขึ้นมาแล้วทำให้วิเคราะห์คือคือคิดเอาอ่ะว่าไอ้ที่มันกลัวเนี่ยเพราะว่าไอความรู้สึก อัตราตัวตนเนี่ยคือรู้สึกเหมือ น, นว่ามันจะหายไปเพราะมันหายเพราะเอา้าแล้วภาระงานอะไรอย่าเงี้ยเนี่ย น, นี้คือจุดที่ผมกังวลคืออยากให้หลวงพ่อแนะนําว่าเรา<ะ>เราจงใจไม่ได้หรอกมันยังรักใคร่หวงแหนอยู่ครับนะถ้าเราเรียนรู้มันมากเข้ามากเข้าก็จะรู้ว่าไม่น่ารักไม่น่าหวงแหนถึงตอนนั้นใจก็จะไม่เอาเองใ้าใจยังไม่แจ้งเรียกว่าเอาวิชายอย่างอยู่นะ มันยังไงมันก็เกิดอีกแหละมันเกิดมันเกิดขึ้นมาเองอะ่ะตรงนี้นั่นแหละมันอยู่ที่การฝึกของเราฝึกฝึกจกระทั่งตอนจะตายนะวิถีจิตที่จะตายนะเหมือนวิถีจิตของคนทั่วๆไปไม่มีนิมิตเกิดขึ้นคือมีอยู่สองแง่ที่แง่หนึ่งผมอุ่นใจตรงที่ว่าพอมันเกิดธรรมะธรรมะที่อัตโนมัติแล้วรู้สึกมันผ่องใสขึ้นมาใช่ ไปสุขตีไม่ต้องกลัวหรอกรถ้าฝึกจนถึงขนาดนี้นะไปทุกขติก็ประหลาดนะจนสติมันไวขนาดนั้นแต่ว่าผมก็ยังมีความไม่มั่นใจนะว่านั่นแหละต้องฝึกต่อไปอีกไว้ใจไม่ได้หรอก บ, บางคนภาวนาดีๆนะขนาดจิตช่วงท้ายเกิดไปคิดไม่ดีแป๊บเดียวนะไปเสวยผลที่ไม่ดีก่อนไปเกิดเป็นหมาก่อนก็มีนะ เนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้ครับมันแหละน่ากลัว ม, มันบอกไม่ได้มันเหมือนคล้ายคเป็นภาวะไม่รู้ว่าหวยจะถูกหรือจะกินอ่ะไม่ไม่มีการป้องกันที่ชัวร์ชัวร้อยเปอร์เซ็นเลยครับคือถ้าเมื่อไร่ภาวนานะเป็นมันอัตโนมัติเนี่ยไม่ต้องกลัวละเวลานิมิตไม่ดีเกิดเนี่ยสติจะเกิดเองไม่ต้องกลัวหรอกวันนี้ขอทักอีกสองสามสันๆนะครับ คือมีผู้ร่วมปฏิบัติทมกับผมอะ่ะผมสังเกตว่ามีสมาชิกบางส่วนมีสภาพจิตที่เวลาเขามีความสุขก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในขณะที่มีความทุกข์หรือไปเจอเงื่อนไขอะไรสักอย่างบีบคั้นเข้ามาแล้วมีความทุกขนะ์เนี่ยเขามักจะไปขยายความทุกข์นั้นอ่ะแล้วมาสมสมสมมาไว้ไอ้นั่นคนทั่วๆไปก็ทำแบบนั้น แส ด, ดงว่าเขายังภาวนาไม่ชํานาญเราจะแนะนำเขาอย่างไรดีครัให้ทุกไปก่อนทําเหตุอย่างนั้นจะต้องมีผลอย่างนั้นแหละ อ, อครับให้เขาฝึกสติฝึกสมาธิหัดเจริญปัญญามากเข้ามากเข้าของเขเปลี่ยนสั่งมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาตวันนี้อีกอันนึงเวลาฟังทำกับสมาชิกฟังทำดิ้วหลวงพ่อเทศจากแผนทีดีนะครับเอภาวะที่ จิตส่งออกนอกนะี่ยคือผมไปสรุปให้กับสมาชิกฟังว่าในขณะที่ไม่มีสติอตัตโนมัติไม่มีสมาธิอตัตโนมัติหรือไม่เกิดปัญญาอัตโนมัติพิจารณาไตรลักษณเนะี่ยถือว่าเป็นภาวะจิตส่งออกนอกทั้งหมดผมสรุปคือถ้าจิตจะจับอารมณ์นะภายนอกนะครับไม่ได้เห็นใตรลักของรูปของนามก็ยังออกนั่นแหละอย่างนี้ถือว่าผมสรุปถูกแล้วใช่ไหมถูกแต่ละเอียดไปเขาทําไม่ได้หรอก Oh. เอาเอาเท่าที่ทำได้เนาะ <c oughs> ครับขอบคุณมากครับถ้าอย่างมันมีไม่กี่ขนาดจิตที่จิตถึงฐานจริงๆริอ๋อแ ม, แม้แม้กระทั่งขณะที่เกิดสมาธิอัตโนมัตินี่ก็ต้องสั้นๆด้วยใช่ไหอในขณะที่เกิดสมาธิอัตโนมัตินี่มันก็จะมันก็ไม่ได้ยาวมากใช่ไหมแล้วแต่สมาธิสิสมาธิบางงานก็ยาวถ้าคณิกาสมาธิก็ชั่วขณะ พร อ, อย่างผมเวลาผมเวลาจิตไหลป๊บแล้วรู้เร็วๆนะมันจะตั้งอยู่ประมาณสักประมาณวินาทีไอย่างมากของคุณมันเป็นพวกปัญญากล้ามันไม่ทรงอยู่นานหรอกรแวบเดียวไม่จะไปคิดต่อใช่ครับอย่างนั้นแหละเราเป็นอย่างนี้เราก็ยอมรับไปครับใช่ใชครับครับขอบคุณมากครับนรัตการค่ะหลวงพ่อช่วงนี้เออเอาจิตบอกว่าลงไปคุกกระทางโลกอะค่ะส่งออกนอกแล้วก็ มันก็นั่งก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้สวดมนต์ก็ไม่ค่อยได้<ม>ก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะ<ม>แล้วก็เออแล้วก็แต่ว่าก็จะมีแบบว่าดูกายบ้างแต่ว่าก็ไม่มากอะค่ะ<ม>แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มแบบว่าคือก็เริ่มเห็นไตลักษณ์อย่างหนึ่งว่าพอเราทุกข์มากมเนี่ย<ม>เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี<ม>๋ยวมันก็จะค่อยๆลงไม่มีอะไรแน่นอนเราก็เลยเริ่มกลับมาปฏิบัติแบบว่า ตามเล้าแบบแ บ, บ้าง<ม>อะคะ่ะก็คือเริ่มสวดมนต์แล้วก็เราก็นั่งสมาธิก็รู้สึกเหมือนก็ก็ดีขึ้นเล็กน้อยอะคะ่ะก็เป็นอย่างนั้นแหละค่อยๆฝึกไปแรกๆก็ล้มลุกลุกลานคนโบราณเก่งนะล้มลุกลุกคลานเนี่ยล้มก็ต้องลุกขึ้นมานะแล้วลงไปคลุกฝุ่นแล้วก็คลานไปยืนไม่ไหวก็คลานไปไม่อยู่กับที่งั้นนักปฏิบัตินะต้องล้มลุกลุกลานในเรื่องปกติล้มแล้วลุกให้ได้ รูปฝุ่นแล้วก็คลานไปให้ได้ไม่นอนแบบอยู่กับที่นะแล้วก็หนูรู้สึกเหมือนหนูดูดูจิตตัวเองไม่เป็นนะคะดูกายดูกายไปดูจิตไม่ได้มันไม่เข้าบ้านดูกายไปเรื่อยๆนะโดยจิตนิสัยดูกายไปก่อนเรารักสวยรักงามรักไรมากดูกายไหมขอบพระคุณค่ะครับเราก็ฟังทำแล้วก็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 ยถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนตีสากรังเอวาเมวายโตทินัางเปตานังอุปะกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดะเมวาสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยะถาสพีตโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตู มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุทาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขขังปลังสาธุ